ในวันนี้ก็จะได้สนทนาในเรื่องของอุปาทานทีจริงก่อนจะพูดถึงในเรื่องของอุปาทานก็พูดถึงในเรื่องของตัณหาเนี่ยเพราะตัณหาเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานตัวตัณหาที่ว่าเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานเนี่ยก็มีพวกความาตัณหาความอยากได้สิ่งสําหรับสนองความต้องการทางภาษาททั้ง5้า ก็คือทางตาหูจมูกลิ้นกายต้องการบำรุงบำรเรือที่เป็นสภาพของตัณหาออตัณหานีมีเวทนาเป็นจุดหมายเพราะว่าเมื่อได้รับสุขเวทนาก็พอใจชอบใจติดใจก็อยากได้แล้วก็อยากได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปพอได้รับทุกขเวทนาก็ขัดใจอยากให้สิ่งนั้นสูญสิ้นพินาศไปเสียอยากให้ตนพ้นไปจากทุกขเวทนานั้น และอยากได้แสดิ้นรนไปหาสิ่งที่จะให้สุขเวทนาต่อไปหรือจะได้สุขเวทนาต่อไปเมื่อได้อิรรับอุเบกขาเวทนาก็รู้สึกเฉยเฉยก็ชวนให้เกิดอาการซึมซึมเพลินเพลอย่างมีโมหะคือความมืดบอดเป็นสุขเวทนาอย่างอ่อนอ่อนที่จะทําให้ติดใจได้และเป็นเชื้อให้ขยายออกเป็นความอยากให้ได้สุขเวทนาต่อไปเป็นต้น ฉะนั้นตัวตัณหาเนี่ยจึงมีตัวสุขเวทนานั้นเป็นจุดหมายเป็นเป้าหมายกามาตัณหาจึงเป็นความอยากได้สําหรับสนองความต้องการทางประสาทท้ง5้ือตาหูจมูกลิ้นกายดังกล่าวส่วนภาวะตัณหาเนี่ยความอยากได้สิ่งต่างๆโดยสัมพันธ์กับภาวะชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งลักษณะอย่างนี้เป็นความอยากในภาวะชีวิตที่จะอํานวยสิ่งที่ปรารถนานั้นๆ ตลอดถึงในความหมายที่ลึกซึ้งก็คือความอยากให้มีอยู่คงอยู่ของตัวตนที่จะได้จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปก็คือที่เป็นไปกับความเห็นว่าเที่ยงแท้แน่นอนต้องการอยากให้มั่นคงให้มันถาวรเนี่ยความอยากประเภทนี้เขาเรียกวิภาวะภาวะตัณหาส่วนวิภาวะตัณหาเนี่ยความอยากให้ตัวตนพ้นไปขาดหายมันเป็นไปกับความขาดและสูญ ความอยากนั่นแหละภาคหรือศูนย์สิ้นไปเสียจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือภาวะชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ปราถนาต้องการอยากจะพ้นไปตัณหาช น, นิดนี้แสดงออกในรูปที่หยาบๆเช่นความรู้สึกเบื่อหน่ายเหงาด้วยว้าเย่ด้วยความเบื่อตนเองด้วยความชังตัวเองด้วยบางทีก็ใช้คําว่าสมเพศตัวเองอยากจะทําลายอยากให้มันพ้นๆไปให้มันหมดไปมันจึงเป็นไปกับความเห็นว่าขาดศูนย์ด้วย นั้นตันหาจึงแสดงออกในรูปต่างๆเป็นความอยากได้กามกคุณต่างๆบ้างกามกคุณทั้งหคือรูปเสียงกินรสผลพัพะอยากได้ภาวะชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งนีความเป็นผู้มีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นต้นด้วยอยากจะคงทนถาวร อ, อยากเป็นเทวดาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนะนะและอยากพ้นไปจากภาพสภาวะที่ไม่น่าปรารถนาเบื่อหน่ายหมดอะไรตายอยากตลอดถึงหลายๆคนบอกอยากตาย อยากตายอยากจะพ้นเบื่อหน่ายเหลือเกินนี่นะความในกรณีที่แสดงออกในภายนอกก็ถูกขัดหรือฝืนความปรารถนาก็รุดที่สุดจริงๆไอตัวตัณหาก็เลยเป็นปัจจัยเกิดปฏิกะคือความขัดเคืองใจเป็นปัจจัยเกิดโทสะความคิดประทุษร้ายหรืออยากคิดทําลายคนอื่นหรือทําลายสิ่งอื่นอย่างนี้เป็นต้นชนะตัณหาจึงมาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานที่เราจะพูดถึงกัน ในตัณหาคือความทยานอยากทั้งหลายก็เลยเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานเนี่ยมันมาจากคาว่าผู้สั่งทันหังอารมาณังอาเทียติติอุปาทานา<ๆ>ก็แปลว่าธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่าอุปาทานเนี่ยพอมีความหมายว่ายึดมั่นอารมณ์อย่างแรงกล้าแล้วก็ยึดมั่นอารมณ์อย่างมั่นคงเหมือนอะไรเหมือนอย่างงูที่รัดกบ เ, เวลา ง, งูที่รัดกบเนี่ยมันก็รัดอย่างมั่นอย่างแน่นเลยไม่ยอมปล่อยให้กบเฉนั้นอุ ป, ปะเนี่ยมีความหมายหลายอย่างนะแปลว่าเข้าไปก็ได้แต่อีกความหมายหนึ่งเนี่ยนะในที่นี้ก็หมายถึงความเป็นธรรมชาติที่ยึดถือมั่นคงความยึดอย่างแรงกล้าและยึดอย่างมั่นคงนี่แหละเขาเรียกอุ ป, ปาทานเขาเรียกอุ ป, ปาทานมีการอุปาทานเป็นต้น ก็คือความยึดมั่นหมายถึงตัวกิลเลสกรรมนืคือราคะที่เป็นไปอย่างแรงกล้าเป็นอุปาทานราคาที่แรงกล้าเนี่ยชื่อว่ากามะเพราะอธิวัคคัยหรือต้องการราคานี่แหละเป็นอุปาทานด้วยแล้วก็ยึดมั่นคือมั่นอย่างอเอารมณ์อย่างแรงกล้าด้วยจึงเรียกว่ากรรมุปาทานทีนี้ความยึดมั่นอย่างแรงกล้าเนี่ยหรือความยึดมั่นที่มั่นคงที่เรียกว่ากามะเนี่ยที่เรียกว่ามอุมปาทานเนี่ยเนื้อ ก็คือกล่าวถึงตัววัตถุด้วยยึดมั่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสก็ในโพธภพะเนี่ยนะอันหน่าปราถนาหน้าไข้ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นทีนี้เมื่อตัณหาคือความอยากได้สิ่งใดมันก็ยึดเกาะติดแน่นผูกพันมัดตัวตนติดกับสิ่งนั้นยิ่งอยากได้มากเท่าใดมันก็ยึดมั่นแรงขึ้นเท่านั้นใช่ ในความยึดมั่นมันเป็นลักษณะอย่างนี้ในกรณีที่ประสบทุกขเวทนาเกิดความเจ็บปวดทุกข์ขึ้นมาก็อยากจะพ้นไปจากสิ่งนั้นก็มีความยึดมั่นในแง่ชิงชังต่อสิ่งนั้นอย่างรุนแรงพร้อมกันนั้นก็มีความยึดมั่นในสิ่งอื่นที่ตนจะดิ้นรนไปหาอย่างรุนแรงในอัตราเท่าๆกันเราเกลียดสิ่งใดไม่ชอบสิ่งใดอ่ะแล้วก็มีปฏิปักษ์ต่อสิ่งนั้นแล้วก็ ไม่พอใจก็อยากจะออกจากสิ่งนั้นมันก็ไปไขว่คว้าหาสิ่งอื่นที่มันยึดมั่นในอัตราที่เท่าๆกันนั่นแหละมันจึงเกิดความยึดมั่นในสิ่งที่สนองความต้องการต่างๆนะยึดมั่นในภาวะชีวิตที่จํานวยสิ่งที่ปรารถนาบ้างยึดมั่นในตัวตนที่จะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยึดมั่นในความคิดความเข้าใจยึดมั่นในทฤษฎีในหลักการอย่างใดอย่างหนึ่งที่สนองตันหาของตนเองสนองความต้องการของตนเอง ตลอถึงยึดมั่นในแบบแผนข้อปฏิบัติต่างๆพิธีการต่างๆที่สนองความต้องการของตนเองอย่างนี้เป็นต้นลักษณะของอุปาทานจะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ทีนี้เดี๋ยวดูความหมายของคําว่าอุปาทานนิดนึงเมื่อสักครู่พูดถึงในเรื่องของอุปาทานในอุปาทานเนี่ยที่ก็แปลว่าเครื่องยึดมั่นกิเลสยึดมั่นจับไว้ไม่ปล่อยเนี่ยก็มีกรารอุปาทานดังกล่าว ความยึดมั่นก็คือกิเลสกรรมนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งการมุปาทานเนี่ยเครื่องยึดมั่นคือวัตถุกรรมไอ้ตัวยึดมั่นมันเลยมี2 ส, ส่วนไอ้ส่วนหนึ่งเป็นตัวกิเลสกรรมเครื่องยึดมั่นคือตัวกิเลสกรรมคืคือตัวราคะความกำหนัดเลยนะความยินดีความเพลิดเพลินไอ้ตัวความไข่เลยอีกความหมายหนึ่งท่านหมายถึงตัวความยึดมั่นวัตถุกรรมอันนี้หมายถึงสีเสียงกิินนย์รสผลทพะะอะะะะะะะะะะะะนะาใะะะนะาะะะะะะ ฉะนั้นอุปาทานคือความยึดมั่นก็เลยแบ่งเป็นสี่อันดับแรกก่อนการอุปาทานในความยึดมั่นในกามเมื่ออยากได้ดิ้นรนแล้วก็แสหามันก็ยึดมั่นเยอะมันก็ติดพันในสิ่งที่อยากได้นั้นเมื่อได้แล้วก็ยึดมั่นเพราะอยากสนองความต้องการของตนเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปใช่ไหมใช่ฉันก็เป็นใปลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมและก็เกิด กลัวสิ่งนั้นจะหลุดลอยด้วยกลัวมันจะพากไปเสียทีนี้ถ้ามันผิดหวังหรือมันพากไปมันไม่ได้สิ่งนั้นเราต้องนึกถึงสิ่งที่เราเคยสูญเสียและพลากไปเนี่ยนะมันก็ยิ่งปักใจมั่นด้วยความผูกใจอะไรอารยะนะอะไรอาวร น, น, นี่ดิผูกใจอะไรโหยหาไอ้ความยึดมั่นดี่แน่นแขวนเนี่ยมันเพราะเพราะอะไร มันแน่นแฟนเพราะสิ่งสนองความต้องการต่างๆนั้นนะ่ะมันไม่ให้ภาวะเต็มอิ่มมันไม่สามารถให้ภาวะที่เต็มอิ่มได้และในขณะเดียวกันมันไม่สามารถสนองความต้องการได้เต็มขีดที่อยากจะได้จริงๆทีนี้ในคราวหนึ่งๆเนี่ยมันจึงพยายามเพื่อจะเข้าถึงขีดหรือเข้าถึงความเต็มอยากนั้นเนะี่ยให้มันเต็มที่ ก็หมายความพยายามเพื่อจะเข้าถึงขีดที่เต็มอยากนั้นด้วยการกระทําแล้วกระทําอีกมันต้องการอยากจะกระทําสิ่งนั้นแ ล, แ, ลแล้วแล้วเล่าเเนี่ยมันต้องการเพิ่มอะไรให้มันเต็มอิ่มให้มันเต็มอยากให้มันเต็มขีดที่ตนเองต้องการใช่ไหมเพราะสิ่งนั้นอะมันไม่ใช่ของตนนี่แท้จริงเใช่ไหมเมื่อไม่ใช่ของตนนี่แท้จริงปุ๊บมันจึงต้องยึดมั่นไว้ด้วยความรู้สึกจูงใจตนเอง ไอ้ตันหามันก็เลยต้องยึดมั่นเขาไว้ได้วยความจูงใจของตนเองแล้วแล้ล่าๆว่าเป็นของตนในแง่ใดแง่หนึ่งให้ได้มันจะต้องยึดว่าเป็นของตนเองในแง่ใดแง่หนึ่งให้ได้อ้าวบางทีเราบอกว่าไอ้คนคนนี้มันเป็นของเราในแง่ที่ว่าเป็นแฟนเรา <c oughs> เห็นไหมต้องต้องมายึดถือว่านี่มันเป็นแฟนเราหพราะงั้นแอ่ถามว่าอา้าวแล้วเป็นเพื่อนได้ไหม <c oughs> น่าเป็นพี่บนใดเลยไหมยึดมั่นในฐานะเป็นพี่ไหมยึดมั่นในฐานะเป็นน้องไหมยึดมั่นในฐานะเป็นลูกได้ไหมยึดมั่นในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นปู่ตายายไม่ได้มันต้องยึดมั่นในแง่ใดแง่หนึ่งเนี่ตั้นหามันมันเข้าไปยึดอย่างงี้แหละนีมันเข้าไปยึดหรืออย่างทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยยึดมั่นในฐานะว่าเป็นเป็นเงินของเราเป็นบ้านของเราในแง่ใดแง่หนึ่งเลยรางท่นเถียงเนี่ยไปยึดมั่นในตัวความไข่ในใจเราเนี่ย กิเลสกรรมในใจมันไปยึดวัตถุภายนอกเรียกวัตถุกรรมกิเลสกรมมัเข้าไปยึดวัตถุกรมคือสีเสียงกลิ่นรสผลิภัณที่สมมุติว่าบ้านบางว่ารถบ้างว่าซับบ้างว่าบุตรบ้างว่าภรรยาบ้างสามีบ้างลูกโอ้โหนี่มันเข้าไปยึดเยอะหมดเลยนี่ไงวันนี้2ตัวเนี่ยหนึ่งกิเลสเข้าไปยึดแล้วก็ไปทําความเข้าใจว่ามเป็นของเราในแง่ใดแง่หนึ่งหลอกตัวเองไงแท้จริงมันไม่ได้เป็นอย่างแท้จริงไงตัณหามันไม่รู้มันไปกับโมหะ มันเป็นไปกับความมืดบอดมันก็ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสมมุติอย่างไงมันไม่เข้าใจเราสมมุติแล้วมันยึดจริงๆแล้วในแง่ใดแง่หนึ่งแล้วก็ปฏิบัติต่อสมมติที่ผิดพลาดด้วยเพราะความไม่ชานฉลาดที่มีโมหะคือความมืดบอดเข้าไปยึดติดนี่แหละมันก็เลยเข้าไปยึดถือมั่นอย่างมั่นคงอย่างรุนแรงในแง่ใดแง่หนึ่งมันกลัวสิ่งนั้นมันจะพากหรือจะหลุดลอยไปถ้ามันพากหรือหลุดลอยไปหนูหวมันจะเกิดความอะไรอารยะอารยะสับนั้นก็คือโขยหา ไนะขวคว้าที่ไม่ต้องการในสิ่งนั้นมันหลุดลอยไปมันเกิดความทุกความเครียดเนะี่ยความวิตกกังวลตามมาอีกเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยแล้ลนะักษณะนั้นในคราวหนึ่งๆเนี่ยมันก็พยายามเพื่อจะเข้าถึงขีดที่เต็มอยากนั้นโดยการกระทําแล้วกระทาอีกและพราะสิ่งนั้นมันไม่ใช่ของตนที่แท้จริงมันต้องยึดมั่นในความรู้สึกจูงใจตนเองว่าเป็นของตนในแง่ใดแง่หนึ่งใดๆใช่ไหมความคิด แล้วก็จิตใจของปุรุชนผู้มืดบอดหรือผู้เขาเนี่ยแล้วหรือว่าปุรุชนเนี่ยก็แปลว่ามีสองส่วนนะถ้าอันทะพาระปุถุช น, นก็แปลว่าปุถุชนผู้มืดบอดมืดด้วยบอดด้วยใช่มอันทะนแปลว่าแปลว่าบอดพาระแปลว่าเขาพาละชนบุคคลที่เป็นเขาด้วยแล้วก็มืดบอดด้วย ไม่ได้เป็นอยู่ด้วยปัญญาด้วยมันก็เลยเป็นอยู่ด้วยตัณหาบ้างมานะบ้างทิถีบ้างนี้มันก็เลยไปยึดเลยนะมันมีตัณหามานะทิถีเนี่ยเป็นตัวหมุนอยู่ในกระแสะความคิดผุุ้ชนพวกคนเขาทั้งหลายอะไรนี้ก็ไม่รู้ความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ยึดเต็มที่เลยนะยึดเต็มที่เต็มกําลั ง, งเพราะกลัวสิ่งนั้นจะหลุดลอยไปแล้วก็สําคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นจะต้องเอาเป็นของตนเองในแง่ใดแง่หนึ่งในความคิด จิตใจบุรุชนมันจึงเข้าไปยึดติดผูกพันอยู่กับสิ่งที่สนองความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอฉะนั้นจิตของบุรุชนอันทธพาลบุรุชนเนี่ยมันจึงปลอดโปร่งเป็นอิสระและเป็นกลางได้ยากมันจะไม่เป็นกลางแล้วเดี๋ยวก็ะลำเอียงไปเป็นชั้นทาคติลำเอียงเพราะรักบ้างกระโทสาคติลำเอียงเพราะโกรธบ้างเป็นโมหคติลำเอียงเพราะหลงเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงบ้างพยาคติก็ลำเอียงเพราะกลัว มันไม่สามารถจะเป็นกลางเป็นไปกับกุศลได้เลยมันก็เลยว่าในแง่ใดแง่หนึ่งจิตไม่เป็นอิสระจิตไม่ปลอดโปร่งจิตไม่เบาเหเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลก็เพราะว่าสภาพชีวิตจิตใจของบุรุษชนเนี่ยมันถูกไอ้ตัณหาที่เป็นตัวกิเลสกามนี่แหละนะ ความใคร่ความต้องการความอยากความดิ้นรนแสหานี่ยเลยนะตรงเนี้ยมันเผาร้อนอยู่ตลอดเวลาเมื่อ เ, เผาร้อนอยู่ตลอดเวลามันขวาคว้าแล้วหาวัตถุกลางหาสีที่สวยๆเสียงที่เพราเพลาะกลิ่นที่ห อ, อมหอมรสที่อร่อยสัมผัดที่นิ่มๆเออเนี่ยที่น้าปราถนาหน้าใข่หน้าพอใจชวนให้รับชักให้ไข่พาใจให้กำนัดโอมันไปอยู่กับสิ่งเนี้เป็นที่พึ่งของมัน <laughs> เป็นที่พึ่งเป็นไว้แบบเนี้เป็นเป็นยังไง เป็นตลอดนี่เขาเรียกอะไรเขาเรียกการมุปาทานยัไงยึดมั่นในวัตถุกรรมหรือตัวกิเลสกามด้วยเป็นความเป็นเครื่องยึดมั่นมีกิเลสกามเป็นเครื่องยึดมั่นเป็นสภาวะที่เข้าไปยึดมั่นไปยึดมั่นอะไรยึดมั่นในวัตถุกรรมือวัตถุที่น่าไข้นะนั้นกามอุปาทานก็เลยได้สองความหมายเครื่องยึดมั่นคือกิเลสกรรม มาจากคาว่ากาโมเอวะอุปาทานางังกาโุปาทานางัง เ, ออเราไม่ต้องไปจำตรงนั้นก็ได้ศัพ์ขาว่างั้นนะหมายถึงตัวอันนี้เป็นอวะทารณ บ, บูรพบทก็คือกัมมะธารกรมมทารยสมาอันนี้เป็นเครื่องยืดมั่นอันนี้เป็นมงบอกเป็นตัวกิเลสการมเลยเป็นตัวกิเลสเป็นความใคร่ความแสหาไฟหาเนี่ยมันตรวจขึ้นในใจเผารนตลอเดเวลาเลยเ โอ้โหมันเกิดอยากเกิดต้องการเกิดความโยหยหามีต <c oughs> ัว ก, กิเลสภายในความใครปทีนี้พอกิเลสเกิดขึ้นก็ไปยึดอะไรในวัตถุการมวัตถุการมก็คือสีที่สวยๆเสียงที่เพรา ะ, ราะกลิ่นที่หอมๆรสที่อร่อยสัมผัสที่นิ่มๆมันก็ไปปรุงแต่งว่าเอออย่างนี้ดีดีดีดีดี ด, ด, ด, ด, ด, ดีปรุงแต่งพอไปยึดขึ้นมาปุบ๊บเนี่ยไปติดสมมุติก็ยิงเลยว่าสําคัญว่าเป็นอะไรอ่าอันนี้เป็นพัดลมของเราอันนี้เป็นโทรศัพท์ของเรา น, นี่เป็น iPad iPhone ของเรา อันนี้เป็นเป็นภรรยาของเรานี่เป็นแฟนของเรานี่เป็นเพื่อนของเรานี่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของเราโอ้โหยึดเลยแล้วยึดแล้วเป็นยังไงต่ออยากได้สิ่งนั้นได้แล้วมันก็ยึดต้องการสนองความอยากให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปกลัวอะไรกลัวจะหลุดลอยกลัวจะพลากไปใช่ไหมครัเอาละทีนี้พอจะเข้าใจคําว่าการมุปาทานชัดขึ้นมาเลยระดับหนึ่งระดับที่สองมีมีความยึดมั่นไม่พอมันรันและเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดทิฏฐุปาทาน ทิศทุปทานความยึดมั่นในทิศดีหรือทิศฐิต่างๆเครื่องยึดมั่นคือทิศที่ถ้าว่าตามสภาวะของหลักวิชาการก็เอาทิศฐิ62อเลยโอ้โหเยอะเลยอ่เียนบรรดาทิศที่ิ62ความเห็นผิดอันใหญ่หลวงสมด้วยพัฒนาไปจนหนึ่งน่นน่ยเออมันมันมันไปจนถึงทั้ง นิยาตามิชาทิฏฐิมีอเหตุกาทิฏฐิเนี่ยนี่อัคคีญาทิฏฐินักกาทิฏฐิโอ้โหอันนี้ไปใหญ่เลยเดี๋ยวนี้นันั้นจะไม่ลงลึกเข้าไปตรงนั้นแล้วนีทิฏฐิเนี่ยเครื่องยึดมั่นทิฏฐิที่เกิดขึ้นก่อนตามที่ยึดถือว่าเห็นว่าถูกต้องทั้งหลายเลยเนี่ยเป็นตัวทิฏฐิเนี่ยนะงั้นตัวทิฏฐิมันก็เลยมีสองความหมายเครื่องยึดมั่นคือทิฏฐินั่นอย่างหนึ่ง เครื่องยึดมั่นทิฏฐินั่นอย่างหนึ่งก็แปลว่าอ้าขยายความหน่อยถ้าไม่ขยายเดี๋ยวจะไม่เข้าใจทิฏฐิเนี่ยความยึดมั่นในทฤษฎีหรือทิฐิต่างๆความอยากให้เป็นหรือไม่ให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนต้องการอยากให้เป็นหรืออยากไม่ให้เป็นก็ทําให้เกิดความเอียงที่จะยึดมั่นในทิฏฐิแล้วก็ยึดมั่นในทฤษฎี ยึดมั่นในหลักปรัชญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ท, ที่เข้ากับความต้องการของ ต, ตนเองั้นหลักการทฤษฎีความเชื่อรัฐทิใดๆก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเข้ากับหลักความเชื่อความเหม็นของตนเองมันก็เข้าไปยึดความอยากที่ได้สนองความต้องการของตนเนี่ยมันก็ทำให้เกิดยึดมั่นในหลักการแล้วก็เกิดความยึดมั่นในความคิดเห็นยึดมั่นในรัฐทยึดมั่นในความเชื่อถือ หรือยึดมั่นในคําสอนที่สนองหรือเป็นไปเพื่อเพื่อสนองความต้องการของตนเองเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีหลักการ ใ, ใดวิชาการ ใ, ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยที่มันสนองหรือมันเป็นไปตามความต้องการตนเองเมื่อตนเองไปเรียนรู้ไปศึกษาขึ้นมาก็ไปยึดไปยึดขึ้นมาเป็นเนื้อเป็นตัวตัวเองขึ้นมาเลยใช่ไหมทฤษฎีทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่นอกความเห็นของเราทีแรกแต่พอเราไปได้ฟังได้ยินขึ้นมาปุ๊บ มันเข้ากับความเชื่อเข้าความเห็นตนเองตัวนี้เขยึดยึดยึดยึดไว้เลยเนี่ยเขาจยึดมั่นในทฤษฎีหลักการยึดมั่นถือความเห็นหรือหลักความคิดอันใดหนึ่งว่าเป็นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเลยเห็นไหมบางครั้งเช่นไปยึดมั่นว่าความเห็นแบบเนี้ยนี่ยพอไปยึดมั่นความเห็นปุ๊บเลยไปยึดมั่นในทฤษฎีหลักการนั้นว่าเป็นตนเป็นอัตตาเป็นตัวเราไปแล้วยึดเข้ามาข้างในแล้ว แล้วพนวกเอาความเห็นหรือหลักความคิดนั้นเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเข้าไปด้วยทีนี้ประเด็นก็คือว่าจริงนอกจากจะคิดหรือนึกถึงการกระทําต่างๆไปตามความเห็นนั่นแล้วเนี่ยเมื่อมีทฤษฎีใดๆต่า ง, งๆหรือความเห็นใดๆต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะหรืออื่นๆก็แล้วแต่ถ้าไปรู้ไปเห็นทฤษ ฎ, ฎีไปศึกษาทฤษ ฎ, ฎีหรือไปฟังทฤษ ฎ, ฎีใดๆก็แล้วแต่เนี่ยอื่นๆนเนี่ยนะที่มันขัดแย้งกับความเห็นที่ยึดไว้รู้สึกเป็นยังไงมันโคกคามเรามากเลย มันจะรู้สึกว่าคุกคามตัวตนของตนด้วยเป็นการเข้าไปบีบหรือเข้าไปทําลายตัวตนที่เสื่อมมันกลัวเลยนะตันเองยึดมั่นความเห็นอะไรไว้ถ้าไป ม, มีความเห็นอื่นที่มาขัดแย้งกับความเห็นตัวเองมันจะมีความรู้สึกว่ามันเริ่มจะคุกคามตัวเราอเองเข้ามาคุกคามเราแล้วนะเพราะสิ่งที่เรายึดไว้เอ้ยมันตรงข้ามกับที่เราเชื่อตรงข้ามกับที่เราเห็นตรงข้ามที่เรายึดถือ ถ้ามีความเห็นอื่นๆใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันต่างจากที่เราเห็นต่างที่เรายึดถือต่างที่เราเชื่อขึ้นมาปุ๊บเราจะรู้สึกว่าตัวตนของเราโผล่ขึ้นมาทันทีมันต้องการจะปกป้องตอบโต้หรือต้องการที่จะต่อสู้ต้องการที่จะรักษาอัตตาตัวตนของตนเองไว้รักษาความเห็นไว้ไม่ให้ใครมาทําลายความเห็นของตนเองไม่ให้ใครมาทําลายความเชื่อของตนเองไม่ให้มีใครมาทําลายทฤศดีของตนเอง ใช่ถ้าเราเรียนด้านวิทยาศาสตร์มาปุ๊บเราเชื่อหลักวิทยาศาสตร์อย่างนี้แล้วถ้ามีใครมาทำลายหลักความเชื่อหลักความเห็นของเราปุ๊บเนี่ยมันหมายถึงโคกขามตัวเราด้วยใช่ไหมรู้สึกว่าแหมเราจะรู้สึกเกิดการเป็นปฏิปักษ์กับตัวตนของเราขึ้นมาทันทีเพราะเราไปสำคัญว่าเราไปยึดจะแล้วว่าความเห็นมันเป็นตัวเราไปแล้ว ความเข้าใจเป็นตัวเราความเชื่อเป็นตัวเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวเราเป็นทั้งหมดของตัวเราไปแล้วนิ่แน่นมากเลยฉะั้นคนประเภทนี้ยจะถืออัตราแรงมากเคยเป็นไหมเห็นไหมเนี่ยไอตัวเนี้ยอันตรายไหมเนี่ยขัดแย้งไหมเนี่ยถ้าไปเกิดที่มีทฤษฎีหรือความเห็นอื่นๆที่มันขัดแย้งกับความเห็นที่ยึดไว้เนี่ยมันก็รู้สึกว่าเป็นการคุกคามตัวตนของตนเป็นการเข้ามาบีบคั้นและทําลายตัวตนให้เสื่อมทําให้ตัวตนทั้งเองเนี่ยด้อย ทำให้ตัวเองตัวตนของตนเองเนะี่ยความคิดเห็นตัวเองมันบกพร่องหรือสลายตัวไปเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งมันต่อสู้ไหม ต, ต่อสู้เพื่อรักษาอะไรรักษาความเห็นนั้นไว้เพื่ออะไรเพื่อศักดิ์ศรีของตัวตนเพื่อศักดิ์ศรีต้องรักษาไว้รักษาความเชื่อไว้รักษาความเห็นไว้เพราะในชีวิตจิตใจของเราเนี่ยเรายึดถือความเห็นอันนี้ไว้เป็นที่พึ่งของเราตลอดใช่ไห ถ้ามีใครมาคุกคามเข้ามาแทะความตาตัวตนหรือความเห็นของเราเนี่ยเรากอดรัดไว้อย่างมั่นคงเลยกลัวตัวตนจะสูญสลายไปกลัวความเห็นทฤษฎีของเราจะพังไปถ้าตรงนี้เราพังไปแล้วก็ไม่มีที่เกาะที่พึ่งแล้วโอ้โหมนุษย์ก็กลัวกันใหญ่แบนี้ใช่ไหมจากนั้นเออสงครามความคิดเห็นทั้งหลายอัตราตัวตนทั้งหลายมันยิ่งออกมาด้วยการต่อสู้กันแล้วรุนแรงทิฐิเนี่ยออกมาใน ด, ด้านความรุนแรง และถ้าหากกลุ่มบุคคลเหล่านี้ไปมีอำนาจขึ้นมามันบงการคนอื่นว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นโอโ้โหตัวนี้บังคับเลยโอโ้โหถ้าใครไม่ทำตามจัดการเลยนีย่ามาันต้องการมีอำนาจเนะนี่ยไอ้ตัวนี้ไอ้ทิฏฐิตัวเนี้ยมันออกมาได้ด้านความรุนแรงบีบขั้นกดดันตนเองเห็นอย่างไรเชื่ออย่างไรก็ปาดหนาให้คนอื่นเห็นอย่างนั้นต้องการให้คนอื่นเห็นอย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นและปฏิบัติตามอย่างนั้นอีกนี่ยลักษณเถ้ามีใครมาทำลายความเห็นของตอนเอง มีความเห็นอื่นๆมาทำลายความเห็นนั้นกลุ่มบุคคลเหล่านี้จึงห้ามห้ามเผยแพร่คำสอนหรือลทัทธิหรือความเชื่อใดๆที่มันจะขัดแยงแ้งกับสิ่งที่ตนเองเชื่อถือไว้หรือยึดถือเอาไว้ที่สงครามแสดงความแสดงทิฐิแสดงความเห็นมันก็โอ้โหแตนี้ออกมากันใหญ่ต่อสู้กันใหญ่ไหมลัทธิแต่ละลัทธิ ไม่ว่าจะเป็นลทัทธิสังคมนิยมเอ่ยลทัทธิประชาธิปไตยเอ่ยลทัทธิาศาสนาทั้งหลายเหล่านี้โอ้โหยพยายามแสดงทิฐิหรือทิฏฐิละเทิ่ยงตนเองออกมาอใหญ่และต้องการจะหามวลสมาชิกให้เชื่อตนเองตนเองจะได้มีกลุ่มมีก้อนมีพวกเยอะๆถ้าตนเองไม่มีอำนาจกับบังคับเลยว่าต้องนับถืออย่างนี้ต้องเชื่ออย่างนี้ต้องเห็นอย่างนี้ทอนนั้นเห็นความเป็นอันตรายของทิฏฐิของลทัทธิของความเชื่อของทฤษฎีอะ ถ้ายึดแล้มีปัญหาเลยเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยทีนี้เวลามีอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าถ้ามีทฤษฎีความคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันตรงตรงกับความคิดเห็นหรือมันแย่กับความเห็นที่เรายึดถือไว้มันจะมีความสื่อวัตถุคุกคามแ ล, แล้วก็จะเข้ามาบีบคั้นทําทลายตัวตนให้เสือ่อมทําลายตัวตนให้ด้อยแล้วก็ให้พร่องลงหรือสลายตัวไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต่อสู้ เพื่อรักษาความเห็นนั้นไว้เพื่อศักดิ์ศรีเป็นต้นนะรักษาศักดิ์ศรีเป็นต้นของอะไรของตัวตนร่างกายรักษาศักดิ์ศรีของตัวตนไว้จริงๆตัวตนมีอยู่จริงไห ม, มเออมันไม่มีอยู่จริงเพราะม น, นุษย์เนี่ยสร้างความเห็นขึ้นมาก็เกิดความขัดแย้งที่แสดงออกมาภายนอกแล้วมันก็เกิดผูกมัดตัวให้คับแคบสร้างอุปสรรคไหม <S <S สร้างอุปสรรคกั ก, กอะไรกักปัญญางตนเอง ทิฏฐิมากับเป็นเป็นข้อไอ้ตัวทิฏฐิความเห็นเนี่ยเป็นข้อปิดอะไรปิดปัญญาพอเป็นคอกหรือว่าเป็นกับดักปิดปิดปัญญาตนเองแล้วเนี่ยไอ้ความคิดเห็นต่างๆนะความคิดเห็น ต, ต่างๆมันก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์ตามความหมายและวัตถุประสงค์ที่แท้ของมันนะทำให้ไม่สามารถเอาประโยชน์จากความรู้และไม่สามารถรับรู้ต่างๆได้เท่าที่ควรจะเป็น แทนที่เราจะได้ประโยชน์จากความเห็นที่ต่างหรือใช่ไหมมันก็ไม่ได้เพราะเราไปกักความเห็นกักทิฏฐิของเราเอาทิฏฐิเนี่ยไปกักปัญญาไว้ซะแล้วปัญญาก็เลยไม่สามารถออกเนะีตีฝ่าวงล้อมของทิฏฐิหรือกับดักของความเห็นออกมาเอาประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจหรือสิ่งต่างๆได้ตามที่ควรจะเป็นใั้นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็เลยถูกไอ้ตัวนี้เป็นกับดักตัวเองไง แล้วก็ครอบงําความคิดตนเองให้จมอยู่กับความเห็นจมอยู่กับทฤษฎีจมอยู่กับลัทธิจมอยู่กับความเชื่อแล้วก็ถูกทิฏฐิลัทธิความเห็นและความเชื่อเนี่ยเป็นกับดักนั้นปิดกั้นตัวเองทําให้ตนเองจมอยู่ในหลมุมในหลุมที่ลึกและในที่สุดจริงๆตนเอง ก, ก็ตายอยู่กับความเห็นตายอยู่กับทฤษฎีตายอยู่กับทิฏฐินั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะได้ประโยชน์จากความเห็นต่างหรือความรอบรู้หรือ ไม่สามารถเอาปัญญามาใช้ประโยชน์ได้ตามสมควรที่ควรจะเป็นหนึ่าเสียดายโอกาสก็ปล่อยตนเองแก่แล้วก็ตายไปแก่แล้วก็ตายไปเนี่ยเนี่ยเลยไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้อย่างแท้จริงพอมองเห็นหรือยังมองเห็นชัดเจนเรื่องชัดเจนนะนะต่อไปเลยเนี่ยอันนี้พูดถึงในเรื่องของทิฏฐิเนี่ยนะความยึดมั่นนี่แหละความยึดมั่นทิฏฐิยึดมั่นความเห็นเนี่ยเครื่องยึดมั่นคือทิฏฐิ ทิฏฐิเป็นเครื่องยึดมั่นนั่นเองเลยทิฏฐิเป็นกับดักนะเป็นกับดักเป็นหลุมพรางนะเป็นข้อขังปัญญาไว้ปัญญาไม่สามารถจะออกมาได้เลยจ้ะเห็นไหมไม่สามารถออกมาทําหน้าที่ได้เต็มที่เลยนี่ประการต่อมาก็เลยเครื่องยึดมั่นทิฏฐิมันเป็นเครื่องยึดมั่นเลยนั้นพวกนี้เขาเรียกว่าเขาไม่สามารถทําตนเองให้เป็นอิสระเสรีภาพได้อย่างแท้จริง บางทีเนี่ยข้างนอกเขามองว่าโหยก็ เ, เป็นประชาธิปไตยเป็นสังคมนิยมเว้นอะไรต่างๆก็เขาจะทําอะไรก็ได้เขาบอกงั้นนะแต่ที่ไหนได้แต่ภายในก็ถูกข้อคือทิฐินะีถูกทิฏฐิของตนเองนี่แหะกักปัญญาเขาไว้ทําให้เขาเกิดความเชื่อความเห็นเกิดจมอยู่กับความเห็นจมอยู่กับทีคค่ความเชื่อนะั้นนั้นชีวิตก็เลยไม่เป็นอิสระไม่ปลอดโปรง่งได้จริงเห็นทนท่อไี้ยัง ปการต่อมาคือสีระพตุปาทานาสีรัพตุปาทานเนี่ยความยึดมั่นสีลพจนระพนแปลได้หลายความหมายนีความยึดมั่นสีลพจน์นอกพุทธศาสนาก็ได้หรือความยึดมั่นสีลพจน์ทั้งสองเป็นทางหลุดพ้นจากสงสารก็ได้เดี๋ยวดีนี้พอพูดถึงตรงนี้เดี๋ยวจะทํำฟังเข้าใจยากนิดหนึ่งสีรัพตูปาทานความยึดมั่นในสีระพศเนี่ยความอยากได้ มีมาจากตัณหานะอยากเป็นอยู่ในตัณหาความกลัวต่อการสูญสลายของตัวตนกลัวสูญสลายไหมอยากอยากได้อยากเป็นอยู่เป็นกา ร, ร ม, มปราุปงบัานกลัวการสูญเสีย ส, สลายของตัวตนของความเห็นอันนี้เป็นที่ถูกบัตรานโดยไม่เข้าใจกระบวนการของเหตุปัจจัยเพราะการไม่มีปัญญาก็เลยไม่เข้าใจกระบวนการว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยยังไง ความร้อนเกิดขึ้นมีเหตุปัจจัยยังไงความเย็นเกิดขึ้นมีเหตุปัจจัยยังไงคนคนนี้เกิดโรคกดหลงมีเหตุปัจจัยยังไงคนคนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้มีเหตุปัจจัยยังไงสิ่งทั้งหลายทั้งหลายเนี่ยกระบวนการของทิฏฐิจะไม่เข้าไปเรียนรู้เหตุปัจจัยแต่จะยึดวั่นทิฏฐิคือความเห็นใช่ไหมและทิฏฐิคือความเห็นเหล่านี้มันก็มาจากความอยากความต้องการดังที่ได้กล่าวไว้แล้วฉะนั้นความอยากได้ความอยากเป็นอยู่เนี่ย และความกลัวต่อการสูญสลายตัวตนโดยไม่เข้าใจกระบวนการเหตุปัจจัยในธรรมชาติผสมกับความยึดมั่นในทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลยทําให้ประพฤติปฏิบัติตามๆกันมาอย่างงมงายเอาอะไแต่เนี้ยพอมีความเห็นปุ๊บมันก็สร้างรูปแบบการสร้างรูปแบบสร้างทฤษฎีสร้างหลักการขึ้นมามันก็เลยการเป็นการปฏิบัติตามกันมาอย่างงมงายโดยไม่เข้าใจเหตุผล บางครั้งเตลิดไปถึงไปนิยมว่ามันดีมันขังหนักเข้าไปว่าไปนิยมว่ามันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสนองความอยากของตนนะทั้งที่ไม่มองเห็นความสัมพันธ์โดยทางเหตุผลเลยนะไปเลยเนะี่ยงั้นความอยากได้อหรือความอยากให้ตัวตนคงอยู่อยากให้ตัวตนน่คงอยู่นี่นะคงอยู่มีอยู่ต้องการให้อัตราตัวตนตนนัวเองคงอยู่มีอยู่ หรืออยากให้ความเห็นของตนเองนั้นคงอยู่มีอยู่และความยึดมันน่นในอัตตาในตัวตวนเนี่ยนะไอ้ความยึดมั่นในความเห็นตนเองมันแสดงออกมาภายนอกแล้วก็แสดงมาทางสังคมในรูปของความยึดมัน่นในแบบแบบแผนพฤติกรรมที่เป็นการกระทําแบบสืบๆกันมาแล้วมันก็สร้างระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีลทัทธิพิธีกรรมตลอดถึงสถาบันต่างๆ สถาบันการเมืองสถาบันอะไรต่างๆข่านิยมทั้งหลายว่ากันไปไแล้วก็สร้างแบบแน่นอนตายตัวเป็นระบบรูปแบบตายตัวเลยต้องอย่างนี้เท่านั้นรัฐที่ประเพณีทั้งหลายเลยเนี้ยว่าจะต้องเป็นอย่างนี้โดยไม่ตระหนักถึงความรู้ไม่ตระหนักถึงความหมายไม่ตระหนักถึงความคุณค่าหรือความเข้าใจหรือวัตถุประสงค์ที่แท้จริง และความสัมพันธ์ไม่ตระหนักถึงความสัมพันธ์ทางด้านเหตผลกลายเป็นว่ามนุษย์เนี่ยสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมา เ, เพื่ออะไรกีดกันแล้วก็ปิดกันหรือปิดล้อมตัวเองหมาเพราะสร้างประเพณีขึ้นมาสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาสร้างระเบียบพิธีกรรมต่างๆขึ้นมาก็เลยกลายเป็นการสร้างกฎกติกาต่างๆเหล่านี้เป็นตัวกีดกันปิดล้อมตัวเองทําให้แข็งทื่อยากแก้การปรับปรุง และการที่จะได้รับประโยชน์จากสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องเนี่ยสีลราไปตัประทานเป็นไปได้ขนาดนี้หรือถ้าเจาะลงไปอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อประพฤติศีลหรือประพฤติธรรมะข้อใดข้อหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ไม่ทราบความมุ่งหมายไม่คำนึงถึงเหตุผลได้แต่ลงสนิษฐานว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ดีบ้างหรือหรือลงปฏิบัติแล้วศักดิ์สิทธิ์แล้วย่อมได้รับผลดีเองเนี่ยนะ ฉันคนเหล่านี้ก็จะสมาทานศีลบ้างหรือประพฤติธรรมะเพียงแต่ตามแบบฉบับหรือประพฤติไปตามตัวอักษรตามประเพณีตามตัวอย่างที่ได้ทำสืบๆกันมาแบบปรำปราเนี่ยนะไม่เข้าถึงเหตุผลในสิ่งนั้นแต่พออาศัยพฤติกรรมที่ทำมาจนเคยชินเนี่ยมันจึงกลายเป็นการยึดแน่นยึดอย่างเหนียวแน่นเป็นอุปาทานชนิดที่แก้ไขา ย, ยากแนะละระเบียบประเพณีทั้งหลายเหล่านี้พอเข้าไปยึดปุ๊บ ประเพณีการแต่งงานประเพณีการเวียนเทียนประเพณีอะไรก็แล้วแต่นะจริงๆดีไหมระเบียบที่เขาทาไว้เนี่ยถ้าเรารู้จุดมุ่งหมายรู้วัตถุประสงค์ว่าเป็นไปเพื่ออะไรเพื่อความสงบเรียบร้อยดีงามเป็นไปเพื่ออะไรเนี่ยถ้าไปเข้าใจด้วยปัญญาด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าไปยึดตามๆกันมาไปยึดเป็นรูปแบบเป็นแพทเทิร์นเป็นข้อปฏิบัติออกมาว่าจะต้องอย่างนี้เท่านั้นใครไปทําอย่างอืง่นโกรธ ใช่ไหมนั่นเหมือนประเพณีสงการอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมพอไปยึดมั่นประเพณี้ขึ้นมาเราไม่ทําไม่ได้หรือประเพณีการไหว้จา<ม>โอ้โหต้องทําจะใช้เป็ดใช้ไก่ใช้หมูใช้อะไรก็แล้วแต่พอยึดจอกก่อเข้าไปว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นแล้วไม่รู้วัตถุประสงค์ไม่รู้เหตุผลด้วยว่าทาเพื่ออะไรอย่างไรต่างๆ่างแบบนี้ยน ทำตามๆกันมาไม่ต้องการเหตุผลใดๆแล้วก็เป็นการยึดมันว่าต้องทําอย่างนี้เท่านั้นถ้าใครมาบอกหรือมาห้ามหรือว่าไม่ให้ทําขึ้นมาแหมอย่างนี้เป็นการขัดขวางอัตราตัวตนขึ้นมานี่มันยึดเป็นรูปแบบฉะนั้นเราอยู่ในสถาบันใดๆเราก็จะเห็นมีรูปแบบหมดเลยได้รูปแบบเหล่านั้นพอไปยึดว่าเป็นขังมังศักดิ์สิทธิ์ว่าดีแล้วเนี่ยมันเป็นอุปาทานชนิดที่แก้ไขยากเห็นไหมมันไม่ใช่เป็นการยึดที่ความเห็นอย่างเดียวแล้ว จากยึดที่ความเห็นนี่มันสร้างรูปแบบขึ้นมาสร้างประเพณีขึ้นมาสร้างกติกาขึ้นมาสร้างระเบียบแบบแผนขึ้นมามันกลายเป็นคอกกักเลยไหมมันกลายเป็นว่าโอ้โห ก, การกระทํากันอย่างงมงายโดยไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเลยทีนี้เห็นเยอะไหมแบบเนี้เยอะมากนี่เขาเรียกว่าศีลรับปรตูปาทานทีนี้ในด้านของศีลรับประตูปาทานเนี่ยแม้การรักษาศีล คือการเจเริญศีลในพุทธศาสนาเองท่านจะขับเน้นว่าทําอย่างไรที่จะเป็นอริยกันตศีลเป็นศีลที่พระอริยเจ้าชื่นชมเป็นอปปรมามัตศีลเป็นศีลที่มีมิตัณหาและทิฏฐิก็ไปจับฉวย เ, ออเป็นศีลที่เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ผุดพองเรียบร้อยดีงามเห็นไหมและศีลแบบไหนที่รักษาแล้วเป็นไปด้วยความงมงายเป็นไปได้ด้วยความไม่รู้วัตถุประสงค์ของศีลที่แท้จริงเป็นศีลรับปราจักษ์ p a r a เนี่ย กั้นก็นจะแยกให้เห็นว่าอายากตัวอย่างเช่นการรักษาศีลหรือการเจริญศีลเนี่ยโดยไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของศีลนี้แท้จริงเป็นการรักษาศีลด้วยโมหะการรักษาศีลด้วยความงมงายด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเลยเขาให้ไปรับศีลก็ไปรับไปถึงก็พระว่าปาณาติป า, า, ปาตาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิเราก็ว่าถามโดยไม่เข้าใจวัตถุประสงค์เลยรับเสร็จแล้วก็จบจบกันไปแล้วก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเลยว่ารับเพื่ออะไรก็เลยว่าเออมันต้องรับ เวลาจะมีกิจกรรมต่างๆทำบุญทั้งหลายมีกิจกรรมทั้งหลายนีมวลพระมาแล้วก็ก็ขอศีลพระก็ให้ศีลแล้วก็ทำตามๆกันมาเนี่ยลักษณะอย่างนี้เป็นศีลที่ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากเพราะเป็นการรักษาศีลที่ไม่รู้จุดหมายที่แท้จริงไม่เป็นอริยะกันแต่ศีลคือไม่เป็นศีลที่พระอาริยะชื่นชมละค่ายเป็นการรักษาศีลที่มีตัณหาคือความอยากทิฏฐิคือความเข็นเนี่ย ความเห็นความเชื่อที่งมงายเนี่ยยึดติดไว้ไปผูกพันกันไว้มันกลายเป็นการรักษาศีลที่ปัญญาไม่สามารถเข้าไปทําหน้าที่ได้เต็มที่มันก็เลยมีตัวทิฏฐิกักหรือเป็นค้อกักปัญญาตัวเองไว้ก็ไม่รู้แล้วไม่เข้าใจแล้วก็ไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะเข้าใจไม่ไม่เข้าใจได้ซ้ำไปก็เลยไม่เข้าใจเป็นพิธีกรรมประทับทํามกันไปแล้วก็ไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วศีลมันเพื่ออะไร แต่การรักษาศีลในพระศาสนาเนี่ยศีลแต่ละข้อมันคือข้อฝึกเช่นสิกขาปะทางนะปานาติปาตาเวรามณีสิกขาปะทางสมาธิยันเอาเลยสิคําว่าสิกขาปะทางศัพท์นั้นแปลว่าสิกขาบทแปลว่าข้อฝึกแปลว่าบทฝึกก็แปลว่าอะไรแปลว่าศีลแต่ละข้อนั้นคุณต้องเอามาฝึกฝึกก็คือว่าหนึ่งละปานาดีบาสเว้นขาดจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายมีใจที่เอื้อกรุณาเอนดูสัตว์ทั้งหลายอยู่ ปลาถนายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีความสุขเมียยืนเออมีความตั้งใจว่าเราเป็นผู้ละแล้วจากปณฏิบาตเราเป็นผู้ละแล้วจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเราเป็นผู้มีใจกรุณาเอื้อเอ็นดูสัตว์ทั้งหลายวางสัตราอาวุธวางท่อนไม้ไม่มีใจคิดประทุษร้ายแล้วแต่มีใจเ อ, อื้อกรุณาเอ็นดูท่านทั้งหลายอยู่ว่าท่านปลอดภัยแล้วขอให้ชีวิตของท่านเนี่ยจงมีความสุขเมียยุยืนนะ เออจิตใจที่น้อมที่งดเว้นจากการที่ไม่มีพฤติกรรมทางกายทางวาจาทั้งหลายไปเบียดเบียนเขาไปฆ่าเขาไปบุตสลายเขาเนี่ยมันมาจากจิต ท, ที่มีศีลมาจากเจตนาที่เป็นไปกับศีลทีนี้ปเจตนาความจงใจตั้งใจที่เป็นไปกับกุศลศีลใจที่เป็นไปกับความรักความปรารถนาดีใจที่เป็นไปกับกุบกาณาเ อ, อเอื้อเยนดูสัตว์ทั้งหลายอยู่ไม่คิดเบียดเบียนทั้งหลายพฤติกรรมทางกายและวาจาก็เรียบร้อยดีงามมันไม่ใช่อยู่เพียงแค่นี้นะ ไม่ใช่แค่เรียบร้อยดีงามอันนี้เป็นเพียงขั้นต้นสุดๆเลยแต่ด้วยพฤติกรรมที่เรียบร้อยดีงามเนี่ยสะอาดเอี่ยมอ่องเหล่านี้มันกระทบไปสู่กายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดกายวาจาใจสะอาดเนี่ยพอมานึกถึงพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพของตนเองที่ไม่เบียดเบียนบุคคลทั้งหลายไม่เกณน์ฆ่าบุคคลทั้งหลายแล้วลิสัสทั้งหลายทั้งเป็นต้นแล้วเนี่ยใจก็เกิดปราโมดเห็นไหมเนี่ยมันเห็นปราโมดที่เกิดในตน พัฒนาไปสู่ปีติคือความอิ่มใจพัฒนาไปสู่ปัสจธิคือความสงบพัฒนาไปสู่สุขสมานัตคือความแช่มชื่นเบิกบานใจแล้วก็พัฒนาสู่สมาธิเอาแล้วสิศีลกับรันไปสู่เป็นปัจจัยต่อสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตพอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยด้วยการที่กายวาจาใจสะอาดแล้วเนี่ยจิตตั้งมั่นเกิดสมานัตและจิตตั้งมั่นแล้วจิตที่ตั้งมั่นเลยฐานเป็นฐานปฏิบัติการของปัญญา ปัญญาก็ไปวิจัยแยกแยะไปรู้โลกและชีวิตตามที่มันเป็นสามารถกําจัดกิเลสและกองทุกข์เป็นต้นได้นั่นก็เลยเห็นว่าโอ้สินที่จะรักษาเนี่ยเออมีช่องทางมีทางเดินไปสู่มัชิมาปฏิปทาไปสู่แนวทางที่ถูกต้องอยังไงโอ้อยางนี้เองเป็นอริยาการณศีลศีลที่เป็นไปเพื่อเพื่อปราโมดบีติปสัสสิสุขและสมาธิเป็นไปกับปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นไปเพื่อการดับกิเลสและกองทุกเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นอย่างแท้จริงอันเนี้ย การเห็นตลอดสายของการรักษาศีลอย่างนี้อันนี้เขาเรียกเป็นอริยะกันตศีลศีลที่พระอริยะเจ้าชื่นชมรักให้อันนี้ไม่เป็นศีลประตะปรมาศดังนั้นศีลที่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้เป็นอภ a r มัถศีลก็คือศีลที่มีไม่มีตัณหาและทิความอยากและทิถีความมินผิดก็ไปจับฉวยเรืองรูปคําถูกต้องเป็นศีนที่มีปัญญาเป็นศีลที่มีความไม่โลภความไม่โกรธเป็นกุศลศีลที่สะอาดบริสุทธิ์ผุดพ่องนี ไม่มีมนทินคือกิเลสเขาเกลือกลัว้วและศีลประเภทนี้จะนําพากระแสชีวิตเข้าไปสู่ปลาโมดได้ปีติได้ปลาโมดความความเบิกบานใจได้ก็สู่ปีติความอิ่มใจได้ปฏิที่ความสงบกายสงบใจได้สุขสมณัตความฉ่าชื่นใจเป็นต้นได้จะนําไปสู่สมาธิคือความตั้งมั่นอย่างจิตได้และเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วเข้าใจสุตตะเข้าใจข้อมูลของคําสอนแล้วก็พัฒนาสุปัญญาที่เข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริง โอ้โหเห็นช่องทางของศีลอย่างนี้แล้วเนี่ยเขเรยกวเนี่ยศีลแบบเนี้ยเป็นศีลที่เป็นไปกับปัญญา น, นำไม่เป็นศีลรัปตะประมาณศาไม่เป็นศีลที่ออกนอกทางมัชฌิมาปฏิปทาถ้าศีลที่ออกหรือเผลอออกนอกเส้นทางของมัมมีองแปดหรือมัชฌิมาปฏิปทาทรรมเนินทางสายกลางแล้วเป็นศีลที่เป็นไปเพื่ออะไรเพื่อโทษเพื่อทุกขเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนไม่เป็นไปเพื่อการดับกิเลสและกองทุกข์จริงแท้จริง ก็เลยกลายเป็นปศีรปตะปรมาสักแล้วโดยเฉพาะไปยึดมั่นประเพณีไปยึดมั่นรูปแบบยึดมั่นว่าทั้งหลายเหล่านี้ก็กลายเป็นไม่ได้รักษาล ะ, าะไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นอย่างแท้จริงก็เลยเป็นไปด้วยความงมงายเป็นไปด้วยความไม่รู้พอมองเห็นหรือยังนี่เป็นศีรปตะป ร, ะาประมาสัหรือเป็นศีลปตุ ป, ปาทานหรือยึดมั่นในศีลยึดมั่นในพจน์ในข้อปฏิบัติอภการที่สี่ อัตวาทุปาทานยึดมั่นความคิดคาดทเนเป็นอัตตาเป็นสิ่งที่มหาชนรู้จักกันว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นชีวะเป็นต้นเหล่านี้ในะนี้ยึดมั่นเยยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นอนี้ตัวเป็นสักกายทิฏฐิเลยนะตัวนี้บุรุชนผู้ไม่ได้สะดับในโลกนี้ย่อมเห็นรูปด้วยความเป็นอัตตาบ้าง เห็นอัตตามีอยู่ในรูปเห็นรูปในอัตตาเห็นอัตตาอยู่ในรูปเป็นต้นบ้างเนี่ยนี่เดี๋ยวๆค่อยๆขยายไปอัตวาทุกประทานยึดมั่นในวาทะว่าตัวตนเนี่ยความรู้สึกว่ามีตัวตนที่แท้จริงนั้นใช่ไหมสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยสําคัญผิดว่ามีตัวตนที่แท้จริงคือมันมีอัตตามีตัวเราแต่ก็ไปยึดมั่นต่างกันนะบางคนก็ไปยึดมั่นอะไรยึดมั่นโลกประกายทั้งหลาย ทั้งหมดเลยตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับทั้งหลายเป็นอัตราเป็นตัว ต, วตนเป็นเราเราก็ไปอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อมันไปอยู่ไปแทรกกันอยู่ดังนั้นอัตราตัวตนไปแทรกนี่ยึดมั่นในกลุ่มรูปธปรรมบางส่วนไปยึดมัน่นนา ม, มารมเลยเช่นสุขเนี่ยความรู้สึกสุขขเวทนาความรู้สึกทุกขเวทนาความรู้สึกเฉยเฉยเนี่ยเลยสําคัญว่าเราสุขเราทุกขใช่ไหมเราเฉยเฉย ไอ้สุขทุกข์ทั้งหลายมันอยู่ในในในเราไปต้นเดี๋ยวนี้นี่ความยึดมั่นในลักษณะเนี้หรือไปยึดมั่นตัวสัญญาคือความจําได้หมายรู้ว่าเป็นอัตราตัวตนเราเองก็อยู่ในสัญญาสัญญาอยู่ในเราหรือไปยึดมั่นตัวปรุงแต่งเลยความปรุงแต่งที่ดีและไม่ดีเนี่ยสภาพใจิตใจที่ชอบไม่ชอบโลภกดหลงหรือไม่โลภไม่กดไม่หลงไปยึดมั่นว่านั่นเป็นตัวตนบางคนก็ไปยึดมั่นว่าจักรคุณ ญ, ญาณที่เราไปเห็นเป็นเรา เราเป็นผู้เห็นเราเป็นผู้ได้ยินทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นเป็นต้นเป็นเราเนี่ยนั้นตรงเนี้ยพื้นฐานสุดๆอย่างเนี้ยมนุษย์มันมีความเข้าใจเห็นผิดมาเออถึงกายวันนี้เราตัวหนักวันนี้เราตัวเบามันมีเราก็ไปหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นรูปก็คือว่าเออวันนี้เราเห็นการเห็นเป็นเราเป็นต้นเลยเนี่ยฉะนั้นความรู้สึกว่ามีตัวตนที่แท้จริงนันเป็นความหลงผิดที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เป็นพื้นฐานของศัตร์โลกอยู่แล้วแล้วมันยังมีปจัจจัย อ, อ, อ, อ, อื่นๆอีกเยอะเลยปจัจจัยอื่นที่ช่วยเสริมความรู้สึกนี้อีกเช่นภาษาอันเป็นถ้อยคาสมมุติสําหรับสื่อความหมายเนี่ยที่ชวนให้มนุษย์เนี่ยพู้ติดบัญญัติต้องมองเห็นสิ่งต่างๆแยกออกจากกันเป็นตัวเป็นตนที่คงที่เลยเอาเลยจีพอได้สมมุติต่างๆขึ้นมาไปสื่อความหมายไหมเอาเลยจีชื่อ ภาษาตำแหน่งหน้าที่การงานโอ้โหพอไปใส่ขึ้นมาปุ๊บยึดไหมและสําคัญว่ามันเป็นจริงๆริงไหมแต่เนี้ยมันเลยซ้อนเลยแต่เนี้ยสาคัญว่าอตอนเด็กๆเขาก็ตั้งชื่อให้เราเราก็มียึดชื่อเข้าพอไปเรียนหนังสือเขาเรียกเป็นนักเรียนแล้วนะออพอเรียนต่างๆก็มีการตั้งชื่อป้อนหนึ่งปอนสองปอนสาปอนสี่ปอนห้าปอน มัธยมหนึ่งสองสามสี่หมันก็นึกว่าโอ้โหอัตราตัวตนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะข้าวนะข้าจากเด็กชายเป็นนายโอ้โหนะข้านะข้าไปเป็นสามีก็เรียกว่าสามีไปเป็นภรรยาก็เรียกภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นอะไรเยอะแยะหมดเลยแต่เนี้ยภาษาทั้งหลายสมมุติทั้งหลายเหล่านี้ยมันหลายซับหลายซ้อนขึ้นมาเลยเนี่ยมันเข้ามาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนทําให้มนุษย์ยึดเข้าไปยึดอัตราตัวตนว่าเราเป็นสิ่งนั้นจริงๆ แล้วในโลกนี้มันอยู่กับโลกสมมุติอถ้าพูดกันให้ชัดลงไปมันก็เลยเหมือนกับบือบอดเลยเข้าป่าใหญ่เลยทเนี่ยออกไม่ได้ตาก็บอดด้วยแต่แม่กบือบอดเข้าป่าใหญ่มีโอกาสจะออกจากป่าได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะผู้โดยชนผู้มืดบอดทั้งหลายที่เข้าไปอยู่ในโลกของสมมุติแล้วไปติดสมมุติอย่างหนึ่งนานแน่นและเหนียวแน่นแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถเดินออกจากสมมุติได้ ไม่สามารถจะเจาะเข้าถึงความจริงได้เพราะไม่สามารถสร้างตาคือปัญญาให้มันเกิดขึ้นมาได้ก็เลยไปติดสมมติอย่างหนานเ น, าน่ยอย่างเหนียวแน่นเลยเนี่ยเนี่ยไอ้โลกมนุษย์ที่ติดอยู่กับบัญญัติต่างๆนี่แหละมันก็แยกออกจากตัวตนที่คงที่แต่ความรู้สึกนะั้นมันการเป็นความยึดมั่นเพราะอะไ ร, ร, พะไรเพราะตัณหา ค, ความอยากเป็นปัจจัยเอาละสิเราอยากจะรวย เราอยากจะเก่งทางด้านประวัติศาสตร์อยากจะเก่งทางด้านวิทยาศาสตร์อยากจะเก่งทางด้านบัญชีอยากจะเก่งทางด้านคณิตศาสตร์อยากจะเก่งทางด้านภูมิศาสตร์อยากจะเก่งทางด้านดาราศาสตร์แล้วก็ไปเรียนเรียนเลยพอเรียนขึ้นมาปุ๊บเขาก็สมมุติให้เราว่าเป็นผู้ชำนาญทางด้านศาสตร์นั้นๆขึ้นมาแล้วก็เลยสําคัญว่าเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆริงยังจาร์ขึนมาทังทั้งที่เราเห็นบางส่วนแล้วไม่ได้เห็นทุกส่วน เนี่ยกรณีแบบนี้ก็เข้าไปยึดเพราะเข้าไปยึดอย่างนี้ก็แปลว่าเพราะปัญญาไม่เกิดจริงเนี่ยก็เลยอุปมาที่นั่งอยู่บนรถี่บอกว่าเหมือนเหมือนตาบอดไอ้คนตาบอดเอาคนตาบอดสักห้าสิบคนมีพระราชาเนี่ยเอาคนตาบอดแล้วก็ให้คําคนละส่วนของช้างคนตาบอดไม่เคยเห็นช้างนี่อีกคนหนึ่งก็ไปทำแหละํางานอีกคน น, นึง ก, นนนก็ไปคําที่งวง บางคนก็ไปคำที่ขามางคนก็ไปคำที่หางบางคนก็ไปคำที่ใบหูเป็นต้นของช้างเออตนเองได้สัมผัสเองไงนะแล้วก็บอกว่าช้างมีลักษณะอย่างไร <en> โอ้โหยิมยึดมั่นตัวตน ว, ว่าตนเองได้สัมผัสช้างต้องมีลักษณะแบบนี้แบบนี้โอ้โเถียงกันตายเลยฉะนั้นบรรดาอัตวาธุปาทานเนี่ย ไอ้ความรู้สึกในีมันกลายเป็นความยึดมั่นเพราะตัณหาเป็นปัจจัยในหลายความอยากเก่าวคือเมื่ออยากได้ก็ยึดมั่นว่ามีตัวตนที่เป็นผู้ได้รับและตัวตนเป็นผู้ที่เสวยในสิ่งที่อยากนั้นไอ้เวลาเราอยากได้สิ่งอะไรปุ๊บมันจะมีตัวตนเข้าไปปราถนาไปต้องการแล้วไปทําสิ่งนั้นแล้วพอได้สิ่งนั้นมาปุ๊บมันมีตัวตนก็ไปเสวยไหมเออมีตัวตนก็ไปเสวยไอ้ตัวตนเนี่ย ที่เป็นเจ้าของสิ่งที่ได้นั้นเน่ยเมื่ออยากเป็นอยู่ก็อยากให้ตัวตนน่ยอันใดอันหนึ่งนั้นเป็นอยู่เมื่ออยากไม่เป็นอยู่ก็ยึดมั่นในตัวตนอันใดอันหนึ่งที่จะให้มันสูญสลายไปและในขณะเดียวกันเมื่อกลัวต่อการที่ตัวตนจะสูญสลายไปก็ยิ่งตะเกียกตะกายย้ําความรู้สึกในตัวตนแน่นแกรนหนักยิ่งขึ้นไปอา้าวจริงในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่า <c oughs> ตัวตนติดสมมุติ ถ้าเราบอกว่าเออเนี่ยเราเราสุขเราทุกข์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อเวทนาเนี่ยพอไปเห็นว่าเราสุขเราทุกข์เราเฉยเฉยพอเรากินอาหารปุ๊บเราโอ้เราสุขเราไม่เข้าใจว่าแท้จริงมันเป็นสภาวะของเวทนาเราก็เป็นสําคัญว่า เ, ออเราเป็นสุขเราเป็นทุกข์ก็คือเห็นว่าเวทนาเป็นอัตตา น, นั่นเอง พขพูดว่าวันนี้กายของเราสุขเป็นสุขหรือกายของเราเป็นทุกข์หรือจิตของเราสุขหรือจิตของเราเป็นทุกข์ก็มีความสําคัญเนะีเห็นอัตตาว่ามีเวทนาเป็นต้หนหรอเนี้ยมันซ้อนเข้าไปอย่างนี้ฉะนั้นอัตตาทุกปรความสําคัญก็คือว่าไอความอยากนั้นมันสัมพันธ์กับความรู้สึกว่ามีเจ้าของผู้มีอานาจควบคุมอยู่มันไปเข้าใจอย่างนั้น คือมันมีตัวตนที่เป็นนายบังคับบัญชาสิ่งต่างๆให้เป็นไปอย่างที่อยากได้นั้นแล้วก็ปรากฏว่ามีการบังคับบัญชาให้สมปรารถนาบ้างเหมือนกันนะบางครั้งอย่างยกตัวอย่างที่เราจะไปทําสิ่งใดเราอยากได้สิ่งใดเนี่ยปุ๊บเออมันสมใจเราได้มันสมปรารถนาเนี่ยเพราะมันสมปรารถนาเราก็คิดว่าโอ้มันบังคับได้มันบัญชาได้แท้จริงเนี่ยเราไม่เข้าใจกระ บ, บวนการของเหตุปัจจัยเราไม่ใช่อย่างยกตัวอย่างเช่น เราหิวน้ําเราอยากไปกินน้ําแล้วเราก็เดินขึ้นไปแล้วไปกินน้ําได้จริงๆด้วยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอ้อมันบังคับได้อัตราตัวตนมันบังคับไปได้สามารถเดินไปตักน้ํากินได้จริงๆด้วยมันไม่เข้าใจกระบวนการของเหตุปัจจัยว่าเพราะจิตที่คิดอยากจะกินน้ําขึ้นมาเนี่ยมันรู้และเข้าใจว่าจะทํำยังไงมีการพยงกายลุกขึ้นมาใช่ไหม กระบวนการของความคิดที่เป็นปัจจัยต่อการที่จะดําเนินทําให้กายลุกขึ้นมามีการก้าวท้าไปเนี่ยจิตที่คิดจะเดินเป็นไปตามลําดับเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนกันยังไงเนี่ยไอเหตุปัจจัยตรงนี้มันไม่เข้าใจไม่เข้าใจเราเนะี่ยเหมือนเราต้องการอยากจะได้ต้นไม้ที่มันเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อยากหรือไม่อยากแต่มันอยู่ที่มีความเข้าใจหรือไม่เข้าใจเมื่อมีความเข้าใจปุ๊บเราให้เหตุปัจจัยให้ปุ๋ยให้น้ําพ่ดินลดน้ําให้ปุ๋ย แล้วก็ปรับอุตุปรับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายต้นไม้ต้นนั้นก็เจริญเติบโตนี่คือความเข้าใจที่ให้เหตุปัจจัยแต่มันไม่ได้อยู่ที่อยากหรือไม่อยากแต่มันอยู่ที่เรารู้หรือไม่รู้เข้าใจไหมใช่ไหมแต่ความเข้าใจผิดเราอยากแล้วเราไปจําได้ว่าทํำยังไงยังไงพวกมันก็สามารถเจริญเติบโตได้แล้วก็ไปสําคัญว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันบังคับได้มันคอนโทรลได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยลักษณะนี้ว่ามันก็หลงผิดว่าตัวชั้นหรือตัวตนของชั้นน่ยมันเป็นเจ้าของ เป็นนายบังคับบัญชาสิ่งเหล่านั้นได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยการบังคับบัญชานั้นเป็นไปได้เพียงบางส่วนและชั่วคราวเท่านั้นเพราะสิ่งที่ยึดวันเป็นตัวเป็นตนมันก็เพียงเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในกระบวนการของเหตุปัจจัยเนีอันนี้เขาจะยากหน่อยนะไม่สามารถจะบัญชาสิ่งต่างๆที่เข้าไปยึดถือให้เป็นไปตามอยากหรือให้เป็นไปถาวรหรือเต็มอยากนั้นได้จริงมันไม่สามารถจะทําได้อย่างนั้นได้ การที่รู้สึกว่าตัวตนเป็นเจ้าของควบคุมบังคับบัญชาได้อยู่บ้างแต่ไม่เต็มเส ร, ร็มบูรณ์จ ร, athletes, จริงๆเช่นเนี้กับกลายเป็นความย้ำความหมายและตะเกียร์ตะกายเสริมความรู้สึกว่าตัวตนที่แน่นแขวนยิ่งขึ้นไปเนี่ยเช่นเวลายึดมั่นในตัวตนด้วยอุปาทานนะก็ไม่รู้จักที่จะจัดการสิ่งต่างๆตามเหตุปัจจัยให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็หลงเนี่ยมันก็หลงมองเห็นความสัมพันธ์ผิด ยกเอาตัวขึ้นไปยึดไว้ในฐานะเจ้าของที่เยบังคับบัญชาหรือควบคุมสิ่งทั้งหลายต่างๆเป็นไปตามปรารถนาเนี่ยเมื่อไม่ทําตามกระบวนการของเหตุปัจจัยหรือสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เป็นไปตามปรารถนาตนเองก็ถูกบีบคั้นถูกความทุกข์หรือเสื่อมหรือพลอยหรือด้อยหรือสูญสลายความยึดมั่นในตัวตนนั้นก็เป็นข้อสําคัญเนี่ยนี่เป็นพื้นฐานของความยึดมั่นในข้ออื่นๆทั้งหมดทีนี้ถ้าเราจะมองอยังไงมองง่ายๆก็คือในแง่สําสหรับความสัมพันธ์นะ ในวงจรของปฏิสนุบาตเนี่ยเราจะเห็นบอกว่าสิ่งใดได้รับเวทนาอันอร่อยก็จะเกิดตัณหาชอบใช่มสมมติว่าพอเราได้รับศขเวทนาทางลิ้นปุ๊บตัณหาชอ บ, ชอบตัณหาก็เข้าไปชอบเป็นการมุ ป, ปาทานยึดติดในสิ่งที่ได้มาเนี่ยแล้วก็ต้องการเสพต้องการครอบครองสิ่งนั้นให้ได้ก็เกิดความเห็นขึ้นมาก็เป็นทิฏฐุปาทานไป กยึต้องอย่างนี้จึงจะดีได้อย่างนี้จึงจะเป็นสุขต้องได้เศษสวยครอบครองสิ่งนั้นประเภทนั้นชีวิตก็จะมีความหมายหลักลึกคําสอนอะไรต่างๆก็ต้องเสริมแสวงหาให้ได้สิ่งนั้นขึ้นมาปุ๊บก็วางรูปแบบวางหลักการขึ้นมาก็เป็นศีลพระปุโรหิทานเมื่อปฏิบัติในศีลลพจน์กนดธรรมเนียมประเพณีรูปแบบแผนต่างๆ ก็มองในแง่เป็นวิธีที่จะทําให้ได้มาซึ่งความอยากนั้นก็จะเป็นเครื่องมือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่อยากในนั้นจึงจะยอมคิดหายกขึ้นมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็เกิดอัตวาฏฏุปาทานยึดมั่นในตัวตนที่จะได้เสพและได้ครอบครองสิ่งนั้นเป็นต้นโดยสรุปตรงนี้ก็คือไอตัวอุปาทานเนี่ยทำให้มนุษย์ปุถุชนที่มีจิตใจไม่ปลอดโปร่งไม่ผ่องใสเนี่ยความคิดก็แล่นคล่องไปตามกระบวนการไม่แล่นไม่คล่องไปตามกระบวนการตองเหตุปัจจัย ฉะนั้นไอตัวอุปท า, านทั้งหมดเหล่าเนี้ยมันจะไม่เข้าใจเรื่องกระบวนการของเหตุปัจจัยว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยยังไงมันไม่เข้าใจกระบวนการตรงนี้ไม่เข้าใจไม่สามารถจะแปลความหมายตัดสินและทําการใดๆไปตามแนวเหตุปัจจัยที่ควรจะเป็นได้นะไม่สามารถจะเป็นไปโดยเหตุผลที่บริสุทธิ์ได้ด้วยเนเป็นไปงั้นแต่มีความติดข้องและความเอ็นเอียงความคับแคบและขัดแยง้งและความรู้สึกถูกบีบขั้นอยู่ตลอดเวลา เวลาคนที่มีอุปทานมากๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเราจะตัดต่อรูปภาพเนี่ยมันจะมีความรู้สึกขัดเคืองครับแค้นเกิดความทุกเกิดความเครียดอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ทํา okay. เพราะในขณะที่ทำนั้นมันไม่เป็นไปอย่างที่เราอยากหรือเราต้องการขึ้นมาเวลาไม่อำนวยบ้างหรือทําไปเกิดผิดพลาดบ้างอะไรทั้งแล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดความเครียดเกิดความกลุ่มสลับตลอดเวลา มันจะเป็นไบลักษ์นะ่เพราะมันไม่รู้กระบวนการของเหตุปัจจัยแต่ถ้ามันทําแบบไม่ต้องใช้อุปาทานเข้าไปเกี่ยวข้องในกระแสชีวิตมันเป็นไปด้วยปัญญามันจะรู้เหตุปัจจัยแล้วถ้าทําแบบนี้มันจะได้ผลอย่างนี้สร้างเหตุอย่างนี้จะได้ผลอย่างนี้ประกอบเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้จะเกิดขึ้นมา ทำอย่างนี้ก็ทําแค่เนี้มันจะใช้เวลาประมาณเท่าไร่มันจะเป็นไปตามกระบวนการของเหตุปัจจัยมีสติสัมปชัญญะอย่างนี้ทําอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นมาอย่างไงมันจะรันกันยังไงหนึ่งสองสามสี่หกเนี่ยมันจะเป็นเหตุเป็นผลต่อกันยังไงมันจะไม่เครียดไม่กดดันไม่บีบคั้นมันจะเห็นกระบวนการของเหตุปัจจัยกระบวนการของทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันไม่ได้เป็นไปตามความอยากหรือไม่อยากมันเป็นไปตามวารู้เหตุปัจจัยยังไงเมื่อทําเหตุปัจจัยตรงนี้มันขาดตัวบกพ่อง ผลมันก็ออกมาอย่างขาดตับวกฟ้องถ้าสร้างเหตุปัจจัยมันแบบไม่ขาดตับวกฟ้องผลมันก็ออกมาดีเมื่อเมื่อฉลาดในเหตุปัจจัยครบท้วนมากมายเท่าไหร่ผลมันก็ออกมาดีเลือดเนี้ยเนะี่ยมันจะเข้าใจเหตุเข้าใจผลตรงนี้แล้วก็จะทําการทั้งหลายตามเหตุปัจจัยที่ควรจะเป็นปัญญาก็ได้ออกมาทําในหน้าที่มันจะไม่ทําด้วยความอยากนะที่เป็นความยึดมั่นอย่างรุนแรงและมันก็จะไม่ทําไปตามความเห็นแต่มันจะทําไปตามความรู้ แล้วความเห็นมันก็ยึดความเห็นแล้วก็เป็นเสถียรปฐมประธานจะยึดรูปแบบว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นและในขณะเดียวกันเมื่อได้รูปแบบอย่างนั้นตนเองมันมันไปกระทบอัตราตัวตนตนเองเป็นผู้ได้รับตัวเองเป็นผู้ได้รับเสวยมันก็จะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดขัดแย้งเกิดบีบขั้นอยู่ตลอดเวลามองเห็นไหมเห็นไหมมันไม่ได้ทําการทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะไม่ไม่เข้าใจกระบวนการของเหตุปัจจัยอย่างละเอียดลึกซึ้งมันจะเป็นทําอะไรด้วยความอยาก นั่นเป็นการมุปาทานอยากได้สิ่งใดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นไปก็เป็นการมุปาทานแล้วก็ทําสิ่งทั้งหลายไปตามความเห็นนะเกิดความเห็นอย่างไรก็จะสร้างรูปแบบออกมาไอ้ความเห็นเป็นทิฏฐุปาทานสร้างรูปแบบสร้างกฎเกณฑ์กติกามาเป็นสีรับทิฏฐุปาทานและในขณะเดียวกันตนเองเข้าไปผู้ได้รับได้เสวยขึ้นมาชื่นใจไม่ชื่นใจเสียใจไม่เสียใจทั้งหลายหรือที่สุขหรือทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นอัตวะทุปาทานเข้าไปหมุนพันในกระแสชีวิตอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา ก็กลายเป็นคนทําการทั้งหลายหลไรนี้เป็นไปด้วยความไม่รู้ก็เป็นไปด้วยโมหะบ้างเป็นไปด้วยโลภะบ้างเป็นไปด้วยโทสะบ้างความไม่รู้ความไม่เข้าใจกระบวนการของเหตุปัจจัยมันเป็นไปด้วยอาการในลักษณะแบบนี้ให้สังเกตดูว่าไอ้ความบีบคั้นที่มันเกิดขึ้นเพราะความยึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยเมื่อเป็นตัวเราของเราก็ต้องเป็นอย่างที่เราอยากจะได้อยากจะให้เป็นแค่ไหม เพราะเราไปสำคัญว่าเราไปยึดว่ามันเป็นต <anak> ัวเราเป็นของเราเมื่อเมื่อเป็นตัวเราเป็นของเราก็ต้องเป็นไปอย่างที่เราอยากให้เป็นใช่เราก็เลยมองสิ่งทั้งหลายตามใจที่เราอยากให้มันเป็นต้องการสิ่งทั้งหลายตามใจที่เราอยากให้มันเป็นแต่สิ่งทั้งหลายเนี่ยสิ่งทั้งหลายเนี่ย มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันไม่ได้เป็นไปตามอยากที่ให้เป็นหรืออยากไม่ให้เป็นใช่ไหมเราอยากให้ดวงอาทิตย์เนี่ยมันขึ้นเร็วกว่านี้แต่ดวงอาทิตย์มันจะขึ้นเร็วตามใจที่เราอยากให้มันเป็นไหมไม่หรืออยากให้มันช้ากว่านี้มันก็ไม่ ฉะนั้นคนจะอยากให้มันเป็นหรืออยากไม่เป็นแต่สิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมคนที่มีทั้งกรารมุ ป, ปาทานอยากยึดมั่นในกามยึดมั่นยึดมั่นด้วยกิเลส ต, ตัวแสหาต้องการหรือไปต้องการวัตถุกามหรือต้องการสิ่งทั้งหลายให้มันเป็นไปอย่างที่เราต้องการพอเกิดความอยากขึ้นมาเกิดความเห็นว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นนี้ก็เกิดทิฏฐุปาทา ว่ามันจะต้องเป็นแบบแผนอย่างนี้เท่านั้นเป็นสีรัพดูปาทานถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้มีความสุขเราจะได้มีความทุกข์อะไรก็แล้วนี่เป็นอัตวาทุกปาทานใช่ไหมอุปาทานมันหมุนอยู่ในใจของบุรุษชนผูม้มืดบอดอย่า ง, างนี้ตลอดเวลาเลยเอาละแล้วก็ต้องทําความเข้าใจเมื่อกี้ถามว่าเราไปกําหนดตรงไหนถามว่ามันต้องรู้ก่อนว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยบอกว่ามันไม่ได้เป็นไปตามใจที่เราปรารถนา หรือไม่ปรารถนาสิ่งทั้งหลายเนะี่ยมันเป็นไปตามเขตปัจจัยของมันแต่เรามองว่ามองสิ่งทั้งหลายตามใจที่เราอยากให้มันเป็นหรือเรามองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นถ้าเราต้องการให้สิ่งทั้งหลายตามใจที่เราอยากให้มันเป็นอันนี้แปลว่าเรามองได้มองด้วยอุปาทานเรามีความยึดแล้วเราสําคัญว่าความ อัตลักษณ์ทัศนาความเห็นของเราเนี่ยเราสามารถไปกํากับสิ่งนั้นแล้วให้มันเป็นไปตามความอยากความต้องการเราได้แต่อย่าลืมนะถ้าเราอยากให้เนี่ยห้องเนี้ยห้องที่กําลังนั่งสนทนากันอยู่เนี่ยว่าว่าอากาศมันยี่สิบห้าองศาเออเราเข้าใจเหตุปัจจัยนั่นเองเมื่อเราเข้าใจเหตุปัจจัยสร้างห้องเสียเรียบขึ้นมาเราก็ไปเอาแอร์มาติด แล้วก็เปิดระดับอุณหภูมิไม่อยู่ที่25มันทําได้จริงๆนะอันนี้คือความสามารถแต่ทั้งหมดเหล่านี้มันไม่ได้ที่อยากหรือไม่อยากแต่เพราะรู้เหตุปัจจัยมันเกิดความรู้เหตุปัจจัยที่จะทําให้สิ่งนี้มันเป็นไปตามสิ่งที่ปรารถนานั้นได้พอมันไปทําสิ่งนี้ได้มนุษย์ก็เลยเป็นสำคัญว่าความคิดความอ่านของเราเนี่ยเราสามารถที่จะกํากับอะไรก็ได้ทั้งๆ ท, ที่มันไม่ใช่ว่า เกิดจากอยากหรือไม่อยากทั้งหมดเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่พอ ร, รู้องค์ประกอบรู้เหตุปัจจัยรู้วิธีการ1 2 3 4, ่งอี่ห้อย่างไรแล้วก็จะสามารถทําให้กระบวนการหรือบริเวณแอเรียหรือห้องเนี้ยมันสามารถที่จะมีอุณหภูมิขนาดอย่างนี้ได้เป็นต้นถามว่ามันเป็นไปตามความอยากหรือไม่ใช่ความอยากหรือเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามเหตเออหนี่ยอันดับแรกเรอต้องใช้ปัญญาตัวนี้แหละทีนี้ไอ้ความบีบคั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะความยึด ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเนี่ยเป็นของของเราเนี่ยแล้วก็ต้องเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเราไปเข้าใจอย่างนั้นแต่สิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเมื่อมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาหรือความอยากกลับไปเป็นอย่างอื่นไปจากไปจากสิ่งที่อยากให้มันเป็นตัวเราถูกขัดแย้งไหมตัวเราถูกกระทบไหมตัวเราก็ถูกขัดแย้งถูกกระทบถูกบีบคั้น สิ่งที่ยึดถูกกระทบเมื่อใดตัวเราก็ถูกกระทบเมื่อนั้นเรามีความอยากให้พัดลมมันหมุนแต่พัดลมมันไม่หมุนพอพัดลมมันไม่หมุนปุ๊บมันมากระทบอัตราตัวตนของเราทันทีว่าเอ๊ะมันทํำไมถึงไม่อยุ่วะเนี่ยมันขัดแย้งอย่างนี้แหละเใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเออเราอยากให้มันหมุน เรารู้วิธีการรู้เหตุปัจจัยที่จะทำให้หมุนมีการเอาปลั๊กไปเสียบแล้วก็มีการเปิดระดับไหนเออเนี่ยแต่ที่มีสามระดับหนึ่งสองสามแลอ่งได้แค่นี้แต่เรามีความอยากว่ามันต้องเร็วกว่า น, นี้กระทบอีกแล้วกกระทบอีกแล้เห็นไหมเออถ้าเรารู้เหตุปัจจัยเพียงพอที่จะสามารถให้หมุนเร็วกว่า น, นี้สร้างลมได้ละเอียดกว่า น, นี้แรงกว่า น, นี้ เออถ้ารู้เหตุปัจจัยสามารถไปให้เหตุปัจจัยมันได้มันทําได้จริงๆเออแต่เห็นไหมมนุษย์ก็ไม่เข้าใจกระบวนการเหตุปัจจัยก็ไปสําคัญว่าอยากจะทํำยังไงมันต้องได้อย่างที่อยากอย่างที่อยากมันเลยก็แย่งกันกระแสของความอยากกับกระแสของความเป็นจริงเวลากระแสของความอยากไปกระทบกระแสของความเป็นจริงเนี่ยกระแสอะไรแพ้กระแสของความอยากแพ้ไม่ก็แพ้สิทำไมถึงแพ้ไม่ไดไม่ได้มองถึงความ ปัจจัยที่ตามความเป็นจริงเออนั่นแหละอย่าแปลกใจว่าในกรณีที่เราไปตัดต่อภาพไปทํางานทําไมถึงเครียดไม่ได้ตรงตามความอยากที่อยากจะให้เป็นเออนี่แหละเพราะเราไปมองสิ่งทั้งหลายตามใจที่เราอยากให้มันเป็นแต่เราไม่ได้ไม่ได้มองสิ่งทั้งหลายตามเหตุและปัจจัยที่ควรจะเป็นใช่ไหมเพราะเราสร้างเหตุปัจจัยอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้เหมือนเราวิ่งเนี่ยเรามีกําลังเราฝึกตนเองเนี่ยมันได้เพียงแค่เนี้ย แต่เราอยากแก้มันมากให้เร็วกว่านี้หลายๆคนเครียดเลยทาไม่ได้ทําไม่ได้แต่ที่ไหนได้เหตุปัจจัยที่ตนเองไปฝึกไปซ้อมทั้งหลายลเล้มันยังไม่ได้เหตุปัจจัยระดับนั้นมันก็ยังไปไม่ได้แต่ว่ามันมีคนทําได้เลยนะเห็น ไ, ไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้ว่าตัวเราเองก็ถูกขัดแย้งกระทบบีบคั้นสิ่งที่ยึดถูกกระทบเมื่อใดตัวเราก็ถูกกระทบเมื่อนั้นสิ่งที่ยึดไว้นะมีจํานวนเท่าใด ตัวเราก็แพ่ไปถึงเท่านั้นแหละเอาถ้าเรายึดบ้านทั้งหลังนี่ตัวเรามันก็แพ่ไปบ้านทั้งหลังใช่ไหมบ้านเป็นของหลังเราไปยึดแฟนเราโอ้โหก็แพ่ไปเนี่ยมีลูกยึดลูกมีทรัพย์ยึดทรัพย์มีบุตรภรรยามีมีแฟนสิบคนมันยึดสิบมันแพ่ไปเท่านั้นแหละไอ้ความอยากไอ้ตัวตนอัตราทั้งหลายมันก็แพ่ไปตามจํานวนของวัตถุสิ่งของที่เขาไปยึด ใช่ไเราก็จะเห็นปริมาณของความยึดมากเนี่ยมันจะมีอัตราตัว ต, วตวนก็าแผ่ไปมากเพราะแผ่ขึ้นไปมากอะไความกลัวสูญเสียมันยิ่งมาก เ, เพราะสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันไม่เป็นไป ต, ตามอยากที่จะให้มันเป็นที่ไหแล้วใช่ไหมมนันนวดก็ถูกนี่แหละอุปาทานจะยิงหลอกแล้วหลอกอีกนี่แหละตัวเราที่ถูกกระทบนั้นก็แผ่ไปทางนั้นทีนี้ ผลที่เกิดขึ้นไม่ใช่จะเพียงความทุกข์เท่านั้นนะแต่หมายถึงชีวิตที่เป็นอยู่และการกระทําต่างๆการทําการต่างๆนี่ตามอํานาจความยึดความอยากนั้นด้วยไม่ใช่เป็นอยู่และทําการด้วยปัญญาตามเหตุปัจจัยได้รนี้มันจลยกลายเป็นอยู่และการกระทํำทั้งหลายเป็นไปตามตั้นหาอำนาที่ถิเป็นไปตามการผุปาะทานบ้างยึดมัน่นถือมั่นในกางในกลางในกางบ้างเป็นที่ถุปาะทานบ้างยึดมั่นในความเห็นบ้างเป็นศีลประถุ ป, ปาะทานยึดมั่นในแบบแผนวัฒนธรรมหรือรูปแบบบ้าง และเป็นอัตวาทุปาทานว่ามีตัวมีอัตตาตัวตนเข้าไปรับเข้าไปเสวยเข้าไปรับสุขรับทุกข์เสียใจดีใจเป็นต้นอะไรนี้ถูกกดขัดแยง้งว่างสมบังติงบังมันก็เลยกลายเป็นไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัเยเพราะปัญญาไม่สามารถทํากิจได้เต็มที่นี่พะต่อจากอุปาทานเนี่ยก็บุกระบวนการมันก็ดําเนินต่อไปจนถึงพบชาติชราวารณะเป็นต้นเนี่ยเกิดโศกะ เกิดความโศกความร่ำไรลําพันไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นต้นเหล่านี้ความทับแค้นใจมันตามมาบุคคลเนี่ยก็ย่อมหาทางออกด้วยความคิดตัดสินใจการกระทําต่างๆตามความเคยชินบ้างตามความโน้มเอียงของตนเองบ้างตามความเข้าใจและความคิดเห็นที่ยึดมั่นสะสมไว้อีกโดยไม่มองเห็นภาวะที่ประสบในขณะนั้นตามที่มันเป็นตามความเป็นจริงเนี่ยวงจรจึงเริ่มขึ้นที่ความไม่รู้คือเอาวิชานะ อวิชาสังขารวิญญาณเป็นต้นเหล่านี้มันก็เลยกลับมาวงจรเดิมอีกนี่แหละในที่สุดจริงๆก็คือว่ามันก็หมุนเข้าหาอย่างเดิมๆดังที่ได้กล่าวนี่แหละเมื่ออวิชชาเนี่ยความมืดบอดที่เป็นกิเลส ท, ที่พื้นพื้นฐานที่ก่อตัวของกิเลสอื่นๆแต่ในขั้นการแสดงออกเป็นพฤติกรรมต่างๆตัณหาก็เป็นตัวชูโรงเป็นตัวชักจูงด้วยเป็นตัวบงการแสดงบทบาทใกล้ชิดได้อย่างชัดเจนดังนั้นในทางปฏิบัติ ถ้ามองถึงในด้านเขาอริยสัจ ต, ตัณหามันยึงเป็นเหตุของทุกข์ใช่ไหตัณหาเป็นเหตุเมื่ออวิชชาเป็นไปอย่างมืดบอดเลื่อนลอยตัณหาก็ไม่มีหลักก็ไม่ถูกควบคุมเป็นไปสุดแต่จะให้สนองความต้องการให้สาเร็จย่อมมีทางให้เกิดกรรมหรืออกุโสละก ร, รมฝ่ายชั่วมากกว่าฝ่ายดีแต่เมื่ออวิชชาถูก ปรุงดัดแปลงด้วยความเชื่อในทางที่ดีงามความคิดที่ถูกต้องความเชื่อความเข้าใจที่มีเหตุผลตัญหาถูกชักจูงให้เป็นไปสู่เป้าหมายที่ดีงามถูกควบคุมขัดเกาาปุ๊บมันก็ขับพุ่งไปในทางที่มีจุดหมายก็ย่อมให้เกิดกวามฝ่ายดีและเป็นประโยชน์ได้อย่างมากแลนะถ้าได้รับการชักนำนะอย่างถูกต้องก็จะเป็นอุปกรณ์และสําหรับกําจัดอวิชชาและตัญหาได้อีกต่อไปอนี้เป็นต้น ฉนั้นะตามองอย่างนี้ก็จะได้เกิดความเข้าใจในเรื่องของอุปาทานทั้งสี่มีกรารมุปาทานทิฏฐปาทานสี่ัล้วปุฏฐปาทานและอัตวาฏฐปาทานอันนี้พูดเฉพาะตัวอุปาทานนะแต่ที่จริงถ้าจะพูดให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจวงจรของชีวิตทั้งหมดก็พูดหลักปฏิจสมุบาทวงจรของกระแสชีวิตที่หมุนอยู่ตลอดเวลามีประเด็นใดๆที่จะสอบถามเข้าใจยากไหมไม่ยากค เข ไ, ได้ง่ายมากได้ง่ายงายแล้วมีประเด็นใดที่จะเสริมเริ่มเข้าใจตัญหามากขึ้นเข้าใจครับทีนี้ให้สังเกตดูว่าเมื่อสักครู่พูดถึงในเรื่องของไอ้ตัวตัณหาเนี่ยพูดถึงเรื่องของตัณหาทำไมพูดถึงเรื่องกรมว่าตัณหาปะวัตตัณหาวิปะวัตตัณหาที่ตัณหาเป็นปัจจัยกูฏทานในี้เก่าเพราะอยากได้สิ่งใดปุ๊บ มันก็ยึดเกาะติดเหนียวแน่นแล้วก็ผูกมัดตัวตนติดกับสิ่งนั้นใช่ไหมยิ่งอยากได้มากเท่าใดก็ยึดมั่นแรงขึ้นเท่านั้นจริงไห่จริงในกรณีที่ศพทุกเวชนาอยากจะพ้นไปสิ่งนั้นก็มีความยึดมั่นชิงชังต่อสิ่งนั้นอย่างรุนแรงฉะนั้นมันเวลามันเกิดความยึดมั่นขึ้นมาเนี่ยเนี่ยความยึดมั่นเป็น เป็นการอุปาทานบ้างยึดมั่นในการบ้างทิฏฐุปาทานบ้างยึดมั่นในความเห็นสี ร, ระพตุปาทานก็ยึดมั่นในแบบแผนอัตวาทุปาทานเองเป็นยึดมั่นที่ทิฏฐิโดยตรงเลยตัวเนี้เป็นตัวทิฏฐิที่จริงถ้าจะเจาะเข้าไปแบบสภาวะแบบลึกละเอียดขึ้นไปก็จะเข้าใจค่อนข้างยากอย่างยกตัวยอย่างเช่นว่าจะไปบอกว่า ไอ้ความในกระบวนการไปยึดมั่นกลุ่มรูปธรรมและนามธรรมเนี่ยถ้ารูปธรรมก็โอ้โหก็เห็นเยอะเหมือนผมคนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในเดินไปยึดมั่นก็เป็นอัตตาตัวตนของเรามีพื้นฐานอย่างเงี้ยที่เรียกสัจทะยัิทิฏฐิอันนี้เป็นพื้นฐานสุดๆของมนุษย์ที่มีความเห็นแบบนี้เห็นเป็นตัวเป็นตนกันอยู่แล้วเต็มไปหมดแล้วงั้นตัวอัตวารูปาทานเนี่ย ด้วยการที่ไปติดสมมติทั้งหลายเลยนะักเข้าพอได้สมมุติอะไรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมามนุษย์ก็เลยติดอยู่กับสมมุติเมื่อติดอยู่กับสมมุติก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงความจริงเป็นต้ น, น้ในโลกใบนี้ทั้งหมดหรือสัตว์โลกทั้งหลายนี้จึงหลงอยู่กับสมมุติใช่ไหมหลงอยู่กับสมมุติทีนี้สมมติเนี่ยจริงๆแล้วก็สมมุติเพื่อให้สื่อสารกันรู้เรื่องสื่อสารกันได้เช่นว่าสมมุติ ว่าเราเป็นลูกเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาวัตถุประสงค์ก็จะได้ปฏิบัติต่อกันให้ถูกแต่มนุษย์มันไม่สามารถอยู่ได้แค่นั้นไงเพอะมีตัณหามาหน้าทิถีขึ้นมาเพรามันไม่ได้มันไม่ได้เข้าใจสมมุติอย่างแท้จริงหรือตามเหตุปัจจัยที่ควรจะเป็นหรือควรจะปฏิบัติต่อกันให้ถูกต้องดีงามยังไงมันก็เลยไปยึดไปยึดขึ้นมาเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นอัตตาเป็นความเห็นเป็นอัตตาตัวตน ยึดเป็นของเราขึ้นมามันแผ่ขยายความยินความยึดนะครับในะคเป็นความทุกข์ความเครียดความกัดกรุ้มเออปัญหาของมนุษย์ก็เลยก็ตามมาอีกเยอะเลยจะมองเห็นเนะี้ยมองเห็นจะถามอนะไรไมไม่มีเห็นกระบวนการอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเหมือนเราจะเจริญศีลที่ได้บอกไว้ใช่ ถ้าเราที่จริงการที่จ ะ, จะเจริญหรือฝึกให้กุศลศีลเกิดขึ้นเนะี่ยสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เป็นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะเกิดจากความรู้และความเข้าใจมันถึงจะสามารถจเจริญไปได้อย่างสะอาดเยี่ยมอองผ่องเพล่ยวได้อย่างที่ได้บอกว่ากุศลศีลข้อแรกหรือชหรือกุศลศีลข้อที่สองเนี่ยละอัทินนาทานเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ให้ด้วยการเห็นขโมยเห็น ไ, ไหมบอกว่าเออ ด้วยเจตจำนงด้วยความจงใจที่จะฝึกศีลข้อนี้จเจริญศีลข้อนี้ทําให้มีทําให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตเออปกติเนี่ยศีลข้อเนี้มันต้องเกิดขึ้นด้วยการฝึกโดยการฝึกขัดให้เกิดให้มีขึ้นที่เขาเรียกว่าจเจริญนี่แหละเรียกศีลภาว น, นาเนี่ยงต้องเจริญทําให้มีทําให้เกิดขึ้นทําเจตจำนงด้วยความจงใจให้มีให้เกิดขึ้นว่าเราเป็นผู้ ละแล้วจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ด้วยการหินกาโมยแม้แต่ตอกเส้นหนึ่งญ้าเส้นหนึ่งเราก็จะไม่หยิบฉวยติดไม้ติดมือมาถ้าของสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราใจก็ยังปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีทรัพย์บริบูรณ์ด้วยทรัพย์เป็นต้นเหล่านี้ไม่ขาดแคลนทัพย์ยังปรารถนาให้สละดด้วยและในขณะเดียวกันเนี่ยก็เห็นความบริสุทธิ์ผุดผ่องของ กายกรรมวิธกรรมและอาชีพมิตนเองด้วยที่เป็นไปอย่างความเรียบร้อยดีงามว่ากระแสความเกียจจำนงหรือความจงใจของเราที่มีการละซึ่งศีลข้อนี้แล้วก็เจริญนะกุศลศีลด้วยความเป็นผู้มีน้ำใจเนี่ยความไม่โลภไม่โกรธและเป็นไปกับปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วก็ตัดร่อนบาปอากุศนกรรมันชั่วร้ายที่มีการคิดจะละักคิดจะขโมยทั้งหลายเหล่านี้ พอมีเจตนาอากุศลเจตนาชั่วร้ายทั้งหลายเกิดคิดจับน้อมเอาสมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตอนเองเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเกิดเวละเจตนาอากุศลนันชั่วร้ายจะถูกตัดรอนด้วยด้วยวิรัตคือความงดเว้นปัญญารู้และเข้าใจว่าเราต้องการฝึกกุศลสิ่งใ้เกิดขึ้นไอตัววิรัตคือตัวเป็นงดเว้นทั้งหลายก็ตัดบาปกุศลกรรมมันชั่วร้ายเป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะได้อย่างแท้จริงเลย และในขณะเดียวกันก็ฝึกกุศลศีลเหล่านี้ให้มีความแข็งแรงมั่นคงมากขึ้นนักเข้านักเข้าเนี่ยเห็นทรัพย์ทั้งหลายของบุคคลอื่นเนี่ยเป็นศีลได้หมดเลยเป็นกุศลได้หมดเลยมันก็จเจริญงอกงามไพ่บูรณากราโมดก็เกิดง่ายปีติก็เกิดง่ายปัสสิสังความผ่อนคลายก็เกิดง่ายสุขสมณะเกิดง่ายสมาธิก็เกิดง่ายและก็เป็นฐานปฏิบัติการของปัญญาที่เข้าไปเข้าใจกรรมและผลของกรรมเป็นต้น แ้วเข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจกระบวนการชีวิตที่มันดําเนินไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้อยู่ที่ความอยากให้มันเป็นหรือไม่อยากให้มันเป็นเนี่ยตัวนี้ทั้งหมดเหล่นี้คือการเจริญไปตามเขตและปัจจัยของของกุศลธรรมอย่างนั้นจริงๆศีลทุกข้อแล้กลายเป็นข้อฝึกและที่สุดจริงพอปัญญาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําการทั้งหลายโดยสามารถขจัดป้องกันอุปาทานทั้งหลายไม่ให้เข้ามาเกิดขึ้นในกระแสชีวิตและจิตใจเป็นต้นดัง ชีวิตก็เลยเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงไม่ถูกครอบงํำด้วยตัณหาคือความทะยานอยากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเนื้อจะยึดมั่นด้วยความอยากยึดมั่นความเห็นยึดมั่นระเบียบหลักการยึดมั่นในอัตตาตัวตนว่าเป็นมีตนเข้าไปเสวยมีตนเข้าไปรับไปเสวยทั้งหลายเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ถูกคลายตัวลงด้วยปัญญาที่ไปรู้ไปเห็นเข้าใจว่าแท้จริงอัตตาตัวตนไม่ไม่มีอยู่จริงเนี มันเป็นมันเป็นตันหาสร้างขึ้นทิฏฐิสร้างขึ้นมาน่าสร้างขึ้นว่ามันมีอยู่จริงแต่จริงๆแล้วทั้งหมดสิ่งทั้งหลายมันเป็นกระบวนการของธรรมมันเป็นไปตามสภาวธรรมมันเป็นปรมาธาธรรมสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่ตลอดเวลาขงมันเลยใช่ไหมแม้กระบวนการความคิดมันก็ไม่ใช่อัตตาตัวตนใดๆเพราะสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตลอดแม้รูปธรรมหรือเซลล์ในร่างกายทั้งหลายก็แตกดับสืบต่อกันตลอด อันเก่าก็แตกดับไปอันใหม่ก็เกิดขึ้นแทรกทันที่นามธรรมทั้งหลายก็เกิดขึ้นสืบ ต, ต่อดับไปตลอดเวลาเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ว่าท่านคนนั้นจะให้กระบวนการของปัญญาเกิดหรือไม่ใช่ปัญญาเกิดเป็นต้นเหล่านี้ยสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นเข้ามันอยู่อย่างนี้พอ e. ไปเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นแล้วอ้มันเข้าใจเลยวแต่เนี้ยกระบวนการของชีวิตกระบวนการของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเข้างมันอยู่อย่างนี้อย่างนี้แเข้าใจอันนี้ก็ต้องฝึกฟังบ่อยๆ มนักสิการบ่อยๆใส่ใจบ่อยๆถึงจะเกิดความรู้ความเข้าใจ